ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุธบริษัทผู้ฝ่ายทำทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยกกวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจมีคำถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้ที่วอนนี้เฟซ บ, บุกเข้ามาก็อขานัดได้นนะั่งมีแล้ว อ่ยังไม่ข้ายังไม่มาเราก็จะไปก่อนเรื่อง a c e b o o k ก็ปล่อยเป็นเรื่องของ facebook ไปแล้วกันนะยังไม่ดูไม่เข้าเฟซไม่ได้ก็ต้องไปเข้า YouTube แทน เ, เราก็เริ่มต้นที่นุดโตเกียวเช่นเดิมกับได้ใช้ยนักคุณนักคุณอยู่หรือเปล่า เพิ่งหลับไปเมื่อสักนาทีที่ผ่านมาเนี้ค่ะพระอาจารย์กราบลรมัศก า, การแล้วค่ ะ, ะเดี๋ยวตอนนัดสีทูแล้วค่ะวันนี้เขาสงสยัยเพลียค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็หลับไปเลยค่ะโอเคไม่เป็นไรมีคําถามอะไรไหมมีคําถามค่ะพระอาจารย์คือที่มีอาการเจ็บเจ็บหลังอ่ะนะคะต่อนเนื่องมาแล้วก็พยายามที่จะฝืนมันแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเนี่ยนะคะมีเมื่อวานเนี้ที่แบบ มันตอนแรกไม่เจ็บค่ะพระอาจารย์พอนั่งเริ่มลมหายใจเริ่มละเอียดปุ๊บมันมาเลยค่ะแล้วก็แบบเจ็บกัแบเบจ็บจนทนไม่ไหวหน้าคว่าไปข้างหน้าก็แบบอ่ะโอเคดึงตัวขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ทําไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะพระอาจารย์จนมันเจ็บไมมากไม่ไหววันนี้ก็เลยไปหาคุณหมอทีนี้ถามว่าเอออย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นอัตกิริยมานยโยมไหมคะพระอาจารย์มันทําลายตัวเองไปไหมคะ อ๋อตายยังไม่ตายไมเนีไ่ไม่ทําไป่แต่งขนาดนั้นอ๋อมันก็คืออคําว่าอัศกิริมาถนยนนี้คือทําจนตายเลยใช่ไหมคะอาจารย์เก อ, อทําแบบที่ทําแบบโดยที่ไม่ได้ภาวนาทําเพื่ อ, อทรมานกายเพียงอย่างเดียว อ, อ๋อแบบพวกโยคีอย่างนี้เหรอคะอา่าใช่ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรค่ะนี่เราต้องการทําใจให้สงบหรือทําใจให้ให้รับกับความเจ็บปวดให้ได้ เป็นช่วงระยะเวลทดสอบแต่ในเองไม่ใช่จะทําไปตลอดเวลาแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ของความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายก็ต้องไปดูให้ให้หมอรักษาให้หมอว่าต<ะ>รวจดูว่าร่างกายเป็นอะไระมันก็ฝืยไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบว่ามันปกติมันไม่เป็นอะไรมันเป็นตอนที่นั่งนั่งนันนี้อันนี้ก็ก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสอย่างหนึง เรื่องเรื่องของธรรมชาติของร่างกายเมื่อมันมนั่งอยู่ใช่มา่นั่งอยู่กับที่ใช้ๆนานๆมันก็ต้องเจ็บปวดขึ้นมาธรรมดาซึ่งก็เป็นความเจ็บปวดแบบชั่วคราวขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการที่จะฝึกเจ็ตให้เราพอนอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายอันนี้ถ้าเราฝึกได้เราผ่านได้ใจต่อไปเราก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกาย แม้ว่าในขณะที่เราที่เราฝึกเราเราเราเราทนอัน น, นั้นร่างกายเราจากที่นั่งตรงๆแล้วมันค่อยๆไปข้างหน้าบ้าง45องศาหรือว่ามากข้างหลังเป็น75องศาอะไรอย่างนี้ร้อยกว่าองศาจนเกือบจะแบบไงหลังอะไรอย่างนี้บ้างก็ก็ก็คือไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่ามันแสดงว่าสติเราไม่ค่อยดีแล้วไม่มีกาลังที่จะทำให้ใจนิ่งทําให้ร่างกายมันนิ่ง ลูกเล็กของจิเจตเล็กของใจที่พยายามดิ่นหนีความเจ็บมันก็เลยขยับไปขยับมาถ้าเราต้องการฝึกฝึกสติฝึกสมาธิฝึอ <c oughs> เดียวกันก็ใไปค่ะไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ตามสะดวกค่ะถ้าเราต้องการฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้รับกับ ความเจ็บปวดได้เราก็ต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธหออยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนบนก็ได้ถ้าเรามีตามไปตลอดเลยใช่ไหมคะถ้ามีสติเราก็จะไม่ต้องไปขยับร่างกายที่เราขยับร่างกายเพราะว่าเราอยากจะขยับหนีความเจ็บ่ปขยับไปขยับมาขยับตรงไหนให้มันไม่เจ็บแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่ใช่เป็นวิธี S <S ต่อสู้กับเวทนาค่ะตอวิธีต่อสู้กับเวทนาต้องไม่ประยุ่งกับร่างกายไม่ต้องไปยุ่งกับเวทนาแต่ต้องการยุ่งกับจิตเพียงตัวเดียวต้องการอยุดจิตไม่ให้มันหนีไม่ให้มันกลัวไม่ให้มันอยากให้ความเจ็บหายไปโดยการใช้สติหยุดความอยากหยุดความให้มันยอมอยู่เฉยๆให้มันยอมอยู่กับความเจ็บให้ได้โอจริงด้วยนะคะหนูหนูก็ลืมคิดไปเลยว่าไอการที่หนูไปพลิกท่า นั่นก็คือการอยากจะให้มันหายเจ็บนุ้ยเลยต้องเปลี่ยนท่ายใช่แล้วเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่ในท่าไหนเดี๋ยวมันก็เจ็บอยู่เรื่อยๆนั่นเราต้องการจะฝึกจิตให้อยู่สอนจิตให้นิ่งๆเฉยๆให้อยู่กับความเจ็บที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหนีมันไม่ต้องไปขยับร่างกายค่ะอันนี้เป็นช่วงที่เราฝึกเนี่ย แต่สว่าถ้าเราเราไม่ได้ฝึกถ้ราร่างกายเจ็บหรือปัญหาก็ต้องดูว่ามันเป็นเพราะอะไรรักษาไม่ไดรักษามันไปแต่ในช่ว ง, งที่เราฝึกเราต้องการฝึกจิใ <ừ> ตให้นิ่งกับความเจ็บเราก็ต้องต้องปล่อยให้เจ็บให้มันเจ <ะ S 2> <แ>็จบไปอื่เฉพาะช่วงอมันเป็นเฉพาะช่วงที่เราฝึกเลยถ้าช่วงที่ไม่ฝึกถ้าเราเดินไปแล้วเท้าเจ็บเราก็ต้องดูว่าเจ็บเพราะอะไร ไอเหยือบน้ําหรือเหยบอะไรอมีน้ําแล้วก็ต้องบงมอ่มมันออกมาธรรมดาอันนี้ก็รักษาไปตามปกติ อ, อืตอ 3, 4, 5, 5, 5. แต่ที่เราฝึกจิตหมอน้าทำค่ะ <c oughs> ที่เราฝึกจิตตอนที่เราฝึกจิตนี่เราต้งการสอนจิตไม่ให้ไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายโดยการ <Okay. S 2> ใช้สมาธิเป็นตัวสู้กับมันอยู่กับมันค่ะ <c oughs> ถ้าเรามีสติมีสมาธิต่อไปถึงแม้แล้วร่างกายเราจะเจ็บตรงนั้นเราก็จะอยู่กับมันสู้กับมันได้อยู่กับมันได้ไม่เดือนร้อน ออแต่เราก็ยังรักษามันได้ถ้ามันเป็นอะไร<ฆ>แล้วเราก็รักษามันได้แต่ในช่วงที่มันรักษาหรือช่วงที่มันเจ็บเราก็เฉยเฉยได้เราไม่ไม่เดืนอดร้อนแต่มันคือการรักษาก็ปล่อยเป็นขั้นตอนของการรักษาส่วนการปฏิบัติจิตการฝึกจิต ก, ก็อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องทนแล้วก็ต่อสู้กับความเจ็บนั้นให้ได้รับมันได้โดยสติแล้วโดวยปัญญาสองอย่างใดอย่างหนึ่ง<ฆ>มีวัน ช่วงที่เราแต่ช่วงที่ไม่ฝึกก็เราก็อยู่แบบคนธรรมดาเห็บตรงไหนแล้วก็ต้องรักษาลงไปแก้ลงไปแ ต, แต่ใจเราไม่ตื่นเต้นตกใจถ้าเราฝึกเิ็มาดีแล้วค่ะครัอาจารย์มีวันหนึ่งที่มันนั่งไม่ได้เลยลองเพิ่งเคยเดินจงกรมครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้เดินมา น, นานมากแล้วนะคะทีนี้พอเดินเดินไปแเราก็คิดว่าเอเวลาเรานั่งเนี่ย <c oughs> เวลาจิตมันมันมันมันสงบ <c oughs> หรือว่ามัน มันนิ่งเนี่ยมันจะเหมือนตกลุมตกบ่อนแล้วเวลาเดินจงกรมมันจะเป็นลักษณะยังไงอะคะพระอาจารย์มันสงบอีกแบบไหนมันสงบแบบมันก็พูดไม่ถูกมันต้องอธิบายไม่ถูกนะมันจะรู้สึกเย็ยนวาวสบายแล้วอาการเมื่อจากที่เกิดจากการเดินก็จะไม่รู้สึกอะไรอยู่เดินต่อไปได้อย่างสบายทาั้งๆที่เราดึงตานี้ใช่ไหมคะอะไรนะทั้งทั้งที่เราลืมตาใช่ไหมคะ ท่านเรามีสติสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้อยู่ความอยากได้ค่ะในช่วงที่ระหว่างเดินมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เลยพอหลังจากเดินมาเสร็จแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันมันมันจะต่างกันยังไงนะหมายถึงจิตที่สงบหรือ เ, เปน็นสมาธิแต่ต้องต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆบูงแต่งคือก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้ามันยังไม่เกิดมันก็ไม่รู้ต้องให้มันเกิดแล้วมันจะรู้ ขอให้เราปฏิบัติไปกันแล้วกันไปนั่งคานไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็รู้ว่ามันต้องสงบอะถ้ามีสติมันน่าสงบะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์จะน้อมนำไปปฏิบัติค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ไปที่จมัดกับแจดที่กับตะวันด้วยตะวันฟังไว้ด้วยนะเผื่อพี่เขาจะสวด อาการสามสิบสองสวนอะไรก็ลองสวดตามพี่ก็ดูนะขอบคุณครับกรมมาสการพระรามครับอ่าวันนี้จะส่งการบ้านใช่ไหมใช่ครับอ่าวามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร้องคนความแก่แบงไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร้องคนความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร้องคนความตายเป็นไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรัลากจากของระกของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงลรามีกรรมเป็นของของบนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทา ย, ยาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรม น, นั้นสืบไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอ่าพิจารณาอยู่ทุกวันหรือเปล่าน่าะวันที่วันเดียวเราพยายามพิจารณาทุกวันเถิดอ่าก็เราพคงสู่กว่าจะพิจารณาทั้งวันไม่ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะพยายามพิจารณา บ, บ่อยๆส <c oughs> งใจให้ยอมรับความจริงเหล่านี้ไม่ไม่กลัวไม่ให้ตกใจหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะ แล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับถังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือ น้ำมันข้ดน้ำตาน้ำมเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูลน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเล็ดน้ำดีเยื่ในสมองศีสังอาหารเก่าอาหารใหม่ไซน้อยไซใหญ่ปอดไตผังอืดตับ หัวใจม้าเชื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็ดขนผมตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีครับไม่มีเราอยู่ที่ไหนหรู้ไหมยู่ที่รูปทิพครับฮะอยู่ที่ไหนนะรูปทิพย์อยู่ที่รูปทิพย์อยู่ที่กายทิพยนะ์เหรออ่าอยู่ที่ความคิดนะนะั่ะพอเราคิดปุ๊บก็เราก็คิดถึงเราขึ้นมาทันที พอเราหยุดคิดเราก็หายไปทันท <Okay. S 1> ตดดีต้องฝึกดูลองคิดไม่มีในร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายเป็นอะไรเราไม่ต้องไปตกใจกลัวเข้าใจไหมรู <Okay. S 1> ้จักปล่อยมันเป็นไปดูแลมันไปรักษามันได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายกรเชิญบอไปเลยบายบายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ โอเคมีอะไรคําถามไหมมีคำถามเลยรไหมวันนี้ไม่มีคําถามแล <c oughs> ้วง่ายก็มมไม่มีใช่ไหมก็คุณดูก็สังเกตว่าช่วงไหนปฏิบัติได้ดีต่อเนื่องนั่งสมาธิสงบก็จะมีเรื่องเข้ามาเหมือนเหมือนมั่นพระจนไหมคะพระอาจารย์เหมือนอย่างอาทิตย์ก่อนเนี่ย ม, มันไม่มีแล้วแน่นอนหลับ น, น, นีานให้จำ<ช>ไปเราจะไปพจับแพ้ชนแกะทํามันมันเข้ามาก็ดีเดีอยวเรก็จะได้ เป็นข้อสอบของเราไปเป็นกลัวอะไรกับปัญหาต่างปฏิบัติก็เพื่อแก้ปัญหาค่ะค่ะเหมือนตอนนั่งนั่งอยู่อยู่รูปก็ป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาเช็ดตัวไม่ได้นั่งเลยเนี่ยค่ะข้อสอบข้อสอบค่ะค่ะหนูก็เลยองาวหนก็เช็ดไปแล้วก็ท่องพุทธโธไปแล้วกางอะไรเงี้ยค่ะมันนั่งไม่ได้ค่ะใช่ก็รักษาเจริญสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไร อย่าไปอยากปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติมันจะทุกข์ขึ้นมาอยังปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติในรูปแบบที่เราปฏิบัติได้ไปนี่นั่งไม่ได้เราก็ะจะเจริญสติไปทําอะไรเราก็สั่งจัวะรู้ไปอย่าไปคิดอแล้วปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับโดยไม่ต้องนั่งก็ได้ไม่ต้องเดินจมกรมก็ได้ เอาไม่มีสติกากับใจตอรอดเวลาก็ถือว่าเรากำลังปฏิบัติแล้วว่า <c oughs> ใจนะก็ได้ค่ะอย่าไปคิดนู่นคิดนี้ให้ให้ให้เป็นบ้าไปบปล่าๆมีปัญหามาแก้มันดีกว่าอย่าไปคิดเลยว่ามันมาจากไหนช่างมันไม่สาคัญมันจากสวรรค์มาจากนรกมาจากอะไรเมื่อมันเป็นปัญหากับเราเราก็ต้องแก้ เรื่องปัญหาของเราสัญญ่มันไม่มันก็มาจากตัวเราเองมัาจากกิเลสของเราเองไม่อยากกับเหตุการณ์ต่างๆไม่อยากไม่อยากกับเหตุการณ์ต่างๆแล้ว <c oughs> หยุดหยุดความอยากมาได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ทาให้เราเดือดร้อนได้นะต้องต้องรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาอไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยนั่งคิดประมาณมาแล้วหลืเป็นอะไร ถมันคิดไม่ถูกไ ม, ไม่ไม่ไม่เรียเป็นหลักนะพอเกิดปัญหาใจเราเป็นยังไงใจเราทุกข์ใช่ไหมทุกข์ใจทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาความอยากไม่ต้องกลับมาตรงจุดนี้เสมอเวลาใจเราไม่สบายกับเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปว่าอย่าไปสนใจเรื่องที่เรากำลังไปทุกข์ด้วยเลยน้ามากแก้ความทุกข์ของใจเราที่เกิดจากความอยากดีกว่า พอเรานอนหยุดความอยาแล้วเรื่องที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดยังไงจะเป็นยังไงมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ได้้าใจหมพอใจ้ะอาโอเคนะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับอ่วันเสาร์ก่อนไม่ได้มาแต่ฝากปัจจัยมาทำบุญนะเป็นไข้วันใหญ่กันทั้งพ่อทั้งลูกเลยอ่าดีมันอยู่บ้านเดียวกัน ยิงข่าวมอเดียวกันก็ต้องเป็นด้วยกันพร่อกั น, นนะนะแต่ว่า <laughs> เป็นคนละสายพันธ์นะคะเจตี้เป็นสายพันธ์บี <laughs> พ่อเป็นสายพันธ์เอลโอเคหายแล้วใช่ไหมห <laughs> ายแล้วค่ะ <laughs> เดี๋ยววันเสาร์นี้ไปโ <laughs> อเคอไปที่ตะวันต่อะตะวันครับมอสตามพระอาจารย์ครับอ่าอย่ายังไงมีอะไรจะถามไหมเออหนึ่งคำถามครับ ว่ามาเลย <c oughs> เ อ, อ่อมันมีคนที่อยู่ในประเทศที่มีสงครามอนับเป็นกรรมของเขาไหมเขาเป็นนะเขาไปอยู่ดันไปอยู่ประเทศนั้นนะเขาเป็นเราอยู่ประเทศนี้มันก็ไม่เป็นกรรมของเราแต่ถ้าเกิดประเทศเราที่อยู่มีสงครามขเข้ามามันก็เป็นกรรมของเราถ้ามัน ถ้ามันถ้าไม่อยากจะอยู่สงครามเวลาเกิดสงครามเราก็ย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นถ้าย้ายไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปต้องเจอกับเหตุการณ์นั้นแต่เราเราสามารถอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันไม่ทุกข์กับสงครามอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดอย่าไปอยากเวลามันเกิดแล้วอย่าไปอยากให้มันหยุดปล่อยมันพิเกิดไปแล้วก็อย่าไปกลัวว่าเราจะตายหรือไม่ตาย เราก็ต้องพิจนารณาอยู่นิ่งๆอยู่แล้วว่าร่างกายของเราต้องตายเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้าจะต้องตายวันนี้ก็ให้มันตายไปยอมตายไปแล้วก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> กนะเข้าใจไหมเราต้องสึกใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆงไม่ว่าจะเป็นกรรมของเราวิบาวของเราที่จะต้องมาเจอ มันก็ช่วยไม่ได้เป็นอนบรรณาตามันสุดวิสัยแต่เรายังสามารถทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ถ้าเรามีปัญญามีสติมีสมาธิเราก็จะสอนใจให้วางเฉยให้เป็นอุเบกขาอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับถ้ามันไม่ได้ <c oughs> แม่มีคำถามนะครับพระอาจารย์คะเรื่องสงครามอย่างสมมุติว่าถ้าซื้ออาหารกักตุนไว้อย่างเนี้ยเจ้าขาพระอาจารย์อันนี้มันจะเป็นความโลภหรือเปล่าคะพระอาจารย์มันก็แล้วแต่ว่ามันมีเหตุที่จะทําให้กักตุนบ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่มีเหตุเลยแต่กลัวไว้นอกหน้าตอนนี้ยังไม่มีสงครามเลยไม่มีไม่มีแววไม่มีอะไรเลยก็เริ่มกักตุนไปมันจะกักตุนได้กี่วนันถามจริงเนอะ จอมตายดีกว่ายอมอดด้กว่ะก็มีบ้างเก็บไม่บ้างสัมปองไว้บ้างอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เผื่อจำเป็นจะต้องก็ตองก็ต้องมีอะไรสัมปองไว้ของจําเป็นต่อนนีการดํารงชีพเพราะเราก็ไม่รู้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นสงครามก็ได้อาจจะเป็นแผ่นดินไหวอะไรทําให้ไม่สามารถออกไปหาอาหารมากินก็ได้แล้วแต่ แต่มันก็ต้องยอมแล้วว่ามันจะอยู่ได้สักปีวันกันในที่สุดมันก็นอถ้ามันยังออกไปไม่ได้มันก็ต้องต้องยอมแล้วมันต้องอดก็ต้องอดต้องตาย อ, อดก็คือความทุกขเวทนาถ้าเราฝึกอดอาหารฝึกอะไรมาก่อนเราก็จะไม่ได้ทุกกับมันในสอนให้เรามาฝึกกันฝึกกับทุกขเวทนาในเวลาจัดทุกขเวทนาในรูปแบบต่างๆเราจะได้ไม่ต้องทุกขกับมันอืม อาจจะเกระจากการไม่มีอาหารกินหรือกินได้ไม่มากหลายๆวันได้กินสักครั้งหนึ่งก็ต้องยอมแต่ถ้าใจเราฝึก้ใจเราก็จะเป็นอุเบกขาใจเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนก็ <c oughs> มองโระพุเจ้าอ่อนตั้งสี่สิบเก้าวันเมื่อพระพุทธเจ้าตะกัะออก ต, ตุนอาหายไม่เลย <c oughs> พระาจารยถ้าสมุดวอาไฟดับไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีเนต็ตใช้ไม่มีทีวีดูนี่ไหวยอยู่นะคะพระาจารยแต่ถ้าไม่มีอาหารรับประทานนี่ตอนนี้เครียดอะก็แสดงว่าเราแสดง ว, ว่าเรายังเรายังปล่อยวางร่างกายไม่ได้คระอาจารย์ยังห่วงร่างกายยังรักร่างกายยังยังกลัวทุกขเวทนากลัวความหิวกลัวความอุญญาาดยากาแท่นอยู่ พราะว่าเวลาโยมหิวในยมก็จําได้ว่าโยอมฝันถึงพระอาจารย์นะคะว่าในฝันพระจารย์บอกว่าให้ให้ให้ขยายเวลาความหิวออกไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อันนั้นเราก็ช่วยขึ้นมาหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะ เ, เราต้องฝึกก่ะถ้าฝึกไปไปแล้วตอไปเวลาเจอความหิวแล้วก็ทําใจเฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยพเจอมันก็ทําใจเฉยไม่ได้ ที่ถือศีลแปดนี่นก็ช่วยฝึกในระดับหนึ่งนะอดข้าวมือ้ออย่างน้อยก็มื้อเย็นแหละแล้วถ้ากินมื้อเดียวได้ก็ยิ่งอดอก็ฝึกให้มันหนักขึ้นไปบางคนก็เอาอดอาหารที่สามวันห้าวันบ้างอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับการอดยาก่าดแคนตอนไปนอยู่บ้านมันอดง่ายๆค่ะพอาสารแต่พอมาอยู่บ้านนี่มัน ใช่กิเลสมันสิ่งที่ยั่วยั่วกิเลสมันเนีอยตัวเย็นอะไรอะไรมันลาบตัวเราไปหมดแล้วคนนู้นก็กินคนนี้ก็กินไม่มีใครไม่กินทั้งคนแล้ว ไ, ไม่กินคนเดียวมันก็รู้สึกว่าละมันก็เหมือนก็ยากต้องการฝึกจิตต้องอยู่ในในอยู่ในสภาพที่คนร่วมกันฝึกเหมือนกันทําเหมือนกันนั่นไปอยู่วัดก็ไม่มีใครกินข้าวเย็นกันนั่นหมายว่าปอนจบัติก็กินเนื้อเดียวก็จบ มันก็มันก็ไม่มีอะไรมายวดใจให้เกิดความหิวไม่มาร่างกายไม่หิวหรอกใจมันหิวมันเห็นแล้วมันอดอยากจะเสดไม่ได้พระอาจารยไหมอ๋อค่ะพระอาจารย์คือเพื่อนเจ้าตะวันนะคะเขาเป็นคนฮินดูใช่ไหมคะแล้วเขาไม่ทานเนือ้อทานแต่อาหารเจแบบเนี้ยคะ่ะเขาก็เลยชวนเจ้าตะวานันเหมือนกับว่าให้ให้ไปให้เป็นมังสวิรัตกับเขาด้วยอย่างนี้นะคะ่ะพระอาจารย์เราดูตอบก็ไปว่างไงลูก เขาก็พูดล่าเขามาชอบพอล่เาเขาสูงาสามแต่ฟูมแองก็พูดล่าเขาไม่มีชีวิตแล้วแล้วก็กินได้อ่อก็แล้วแต่เรื่องเขา<ม>เขาบอาเขาจะกินอะไรก็ปล่อยเขากินไปเราจะกินอะไรก็ปล่อยเรากินไปแต่ข้อข้อสำคัญก็คืออยากฆ่า น, นั้นเองถ้าไม่ฆ่าแล้วมันไม่บาปถ้ากินของที่ตายแล้วไม่บาป การเราไม่ได้ค่านึงสั่งให้เขาค่าเช่นบางทีที่ร้านอาหารก็มีปลาสดๆอยู่ในตู้แล้วชี้ว่าปลาตัวนี้ถ้าเงียบบาปแต่ถ้าปลามันตายไปแล้วอยู่ในอยู่ในตู้เย็นแช่แข็ง้เอามาทำเป็นอาหารนี่เราจะกินไม่กินมันก็มันก็ตายแล้วมหละไม่ได้ไปเปลี่ยนเราจะไปบาปตรงไหนเราไม่ได้ไปทําบาปมัน แต่ถ้าชาติตอนเขาจะกินก็ได้นะคะอาจารย์แต่เขาต้องทําเองโยไม่ทำแยกแลยกกินก็ไปทำของตัวเองมาแล้วแต่ต <โย S 1> แเรื่องของท ำ, อทำเพิ่มเพรางานนี่เดียวเวลาแม่ทาอะไรที่มีมีเนื้อสัตว์อยู่เราก็อย่าไปกินมันเรื่องของที่มันไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้เนี่ยอาจารย์นั้นนะผมก็ชอบกิน อ, อยู่มากประเด็นไม่สําคัญมันอยู่ที่กินนะ กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ประเด็นสำคัญอยู่ที่ค่าค่าสัตว์้นไม่ค่าสัตว์เท่านี้ถ้าไม่ค่าสัตว์ก็ไม่บาปถ้ากินกินผักแล้วสแสดงว่าเราวิเศษเนี่ยเดี๋ยววัวควายมันก็วิเศษกันหมดนะแล้ววัวควายมันก็กินผักกินหญ้ามี้ะนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะคนบางที่หลงประเด็นอย่า น้องประเด็นว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์แล้วจะทําให้สัตว์ตายาเขาบอกกินสัตว์ที่มันตายแล้วแต่ย่าไปกินที่มันสัตว์ที่ยังเป็นอยู่สัตว์มันก็ต้องตายเหมือนกัน ไ, ง ไ, งไม่ใช่ก่อยแก่เจ็บตายเหมือนกันนะถ้าเรอให้มันตายแนละ้วตายแล้วจะะทําอะไรจะฝังดินยาใบเผาแล้วจะมาทําเป็นอาหารมันก็มันก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ <Sure. S 1> แต่ทำอย่างที่ทําช่วงวันนี้ไม่ถูก ไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็จับเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกมันเป็นเรื่องของทางโลกขับเรื่อ ง, องคนที่เขาชอบกินเนื้อสัตว์เขาก็ทํากันเนี้จะไปห้ามก็ได้เองถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่อยากกินก็กินเราก็ไม่กินของเราไปก็หมดเราไม่เห็นจะต้องไปมีเรื่องกับคนที่เขากินใช่ไหม แต่คนชอบกินเจกินไม่กินเนื้อสัตว์มักชอบไปยุ่งของคนที่เขากินเนื้อสัตว์หาว่าเขาบาปก็ไม่ดีหาว่าเขาไปส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรก็แล้วแต่เขาเขาปล่อยเขาว่าไปก็มีนะคะพระอาจารย์เมื่อก่อนโยมเพื่อนโยมที่เขาเป็นฝรั่งอะคะ่ะเขาก็บอกว่าอทําไมคุณกินเนื้อสัตว์มันก็เท่ากับการส่งเสริมไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้นะคะ่ะอาจารย์โยมก็ขี้เกียจเสียงเขาปล่อยให้เขาคิดไป ไม่รู้พูดทำไมีเกียบไปเที่ยงของพร์โอเคมีอะไรไหมพระชานร์คะโยมขอเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติของเจ้าตะวันนะค่ะก็คือว่าตอนนี้เขาทำสมาสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิครึ่งชั่วโมงสองครั้งใช่ไหมคะก็คือหลังจากนั้นก็คือว่าชวนเขาคุยเรื่องการพิจารณาว่า มีอะไรเป็นของตะวันบ้างอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ให้พิจารณาเพื่อการปล่อยวางเกี่ยวกับพวกร่างกายพวกวัตถุอะไรพวกตุ๊กตาอะไรของเขาอยู่เนี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นของของเขาจริงๆหนึ่งครับจะค่อยๆฝึกไปอของทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะต้องพัดท่าจากกันได้เวลาหนึ่เวลาหนึ่ง ในเวลามันไปก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปเสียใจถ้ามันยังอยู่ก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะไปมันไปแล้วเกิดมีใครมาขโมยของเล่นเราไปจะทำยังไงเสียใจไหมถ้าใครมาขโมยของของเล่นที่เราชอบเกมที่เราชอบเล่นไปเออก็ต้องคิดล่าเป็นกคำของเขาเองที่ไม่ต้องนก่อนที่มาของของเองที่มาขโมยเหรอ ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ไม่รู้ว่าอะไรจะจากกันไปเมื่อไหร่ทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องนะันมีอยู่กับเราเนี่มันไม่รู้พวกนี้มันอาจจะไม่อยู่กับเราก็ไนดะ้บางสิ่งบางอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มันดีคอดีไฟลุกบ้านไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เ, เอาตัวรอดอย่างเดียวข้าวของเงินข้าวของทรัพย์สินที่ในบ้านนี้ถูกไฟเผาหมดจะทำยังไง มันเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมให้มันได้หรือเปล่ามันเกิดแล้วมาล่องผมล้องให้แล้วได้มันคืนหรือเปล่าเมื่ทุกข์กาเสียใจแล้วได้ของคืนด้วยมันก็ไม่ได้คืนเราลอยสอนใจแล้วว่าทุกอย่างไม่ไม่เขาไม่แน่นอนไม่รู้จะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วกับการจากกันพัดผภาพจากกัน อย่างที่เมื่อกี้นี้ที่จตต้ก็สวยกันนะเราจะต้องพัดภาพจากกันเป็นธรรมดา <Okay. S 1> นะเรามองอถึงความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรทุก อ, อย่างเป็นของชั่วคราวโอเค หมดแล้วนะจะได้ไปต่อหม้วหมดแล้วโอเคขอบพระคุณค่ะโ okay. อเคใครที่เป็นหมอพี่เช่นจะเป็นหมอกราบมรสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ไอธิบายความสุขจากความว่างฤิธิพนังปรมังูสุนย์ยังครับพระอาจารย์คืยจิตของ เ, เราทุกวันให้มันไม่ว่าง มันเต็มไปด้วยกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆมันเลยทําให้ใจเราวุ่นวายพอโลภอยากได้อะไรมันอยู่ไม่อยู่ไม่เป็นสมกันมันจะต้องพยายามดิ้นไปอพอได้ข่าวว่ามีการลดราคาห้าสิเปอร์เซ็นตสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่นิ่งนะฮะความอยากได้สินค้านั้นก็รีบเฮโลมนไปที่ร้านแห่งแยกซื้อข้าซื้อของเงินเพราะของก็ลดราคา เนบางทีมีสินค้าไอโฟนนู่นใหม่ออกมาเนี่บางทีคนไม่นอนตางเต้นรอนจะซื้อไอโฟนนู่นใหม่อันนี้ก็เพราะความอยากอิเลกความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลยทําให้เราให้มันมาก่อนร้อคน ห, หนึ่งก็ซื้อไปหมดก่อนแล้นเดี๋ยวเราค่อยซื้อทีหลังก็ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันจะหมดไปที่ไหนนะไม่คลิกกันนะพอถูกความโลภความงามนะจะต้องให้ได้ทันทีพอเปิดร้านปุ๊บจะต้องเอาก่อนเลย มันสนใจถ้าใจยังมีความโลภความความหลงอยู่มันก็จะมันก็จะวุ่นวายอย่างเนี้เหมือนจะอยู่ไม่เป็นสุขพอเราพอฝึกสมาธิสามารถทาใจให้หยุดคิดได้หยุดนิ่งได้พอหยุดคิดปั๊บความอยากกิเลสตัณหาที่เคยทํางานมันก็หยุดทํางานไปชัวว่วคราวตอนนั้นเราก็จะเจอกับความสุขที่อยู่กับความว่างของจิตจิตว่างจะที่ไลนความโลภความอยากต่างๆ แต่ล้าอาศัยการหยุดความคิดเพื่อที่จะให้กิเลสหยุดทํางานชัวว่วคราวอันนี้ก็เป็นความความว่างแบบชั่วคราวความว่างด้วยสติใช้สติหยุดความคิดพอเราหยุดความคิ ด, ดกิเลสตัณหาก็คิดก็อยากไม่ได้เพราะเราไม่คิดถึงไอโฟนเราไม่คิดถึงขนมเราไม่คิดถึงอะไรต่างๆมันก็เราไม่มีอะไรให้เราอยากขึ้นมา ความอยากก็ถูกระับไปเพราะเราหยุดความคิดแต่พอเราออกจากสมาธิมาเริ่มคิดมันก็ความอยากก็ตามมาของความคิดพอคิดถึงตู้เย็นเดี่ยว่าอยากจะดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างเปิดดูหน่อยอืมก็มีขนมอ่ะอร่อยดีนะอะไรนะเอาซะหน่อยความอยากมันมันตามมาแล้วกระช่านชิ้นเลยหรือถ้าเราอยากจะทําให้ ความอยากมันหายไปอย่างสาวรโดยที่ไม่ต้องหยุดความคิดเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตว่าความอยากจะสิ่งที่เราอยากได้มันมันเป็นสุขก็จริงแต่มันเป็นสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่เหมือนกับพุ่มห่ อ, หอความทุกข์เอาไว้เพอสิ่งที่เราอยากอยากได้มาให้ความสุขกับเรามันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับเจริญแล้วก็เสือ่อม เห็นไหมไอโฟออกมาเกินรุ่นแล้วมันหายไปไหนหมดนล้วไอรุ่นเก่าๆอาไร <c oughs> ทุกของทุกอย่างมันเสื่อมพอมันเสื่อมความสุขที่เคยได้จากมันก็หายไปความทุกข์ก็เข้า ม, มาแทนที่เวลาถูกเขาเวลาเรามี ข, ข, อของที่เราร่ำรักคนขโมย ไ, ไปเปนยังไงอันนั้นแหละความสุขก็หายไปงั้นต้องพิด้วจารญาถ้าเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยง เราก็คุมบังครับเก็บมันไว้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เราก็อยากไปอยาแล้วก็ไม่อยากเพราะเราไม่อยากทีนี้เราก็ไม่ทุกข์กับอะไรเพราะความอยากที่ทําให้เราทุกข์เราเราหยุดมันได้เราเราคําจัดมันไปจัดกใจเพราะรู้ว่าการทําตามความอยากเป็นทุกข์มากกว่าออ่การที่ไม่ได้ทําตามความอยากอืม เราก็เลยยความอยากดีกว่าเมื่อยุดความอยากแล้วใจเราก็จะไม่ทุกขอันนี้ก็จะเป็นเป็นนิพพานแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจของเราให้หมดไปได้เรายังมีความคิดอยู่แต่ความค <it> ิดของเรามันจะไม่ได้ปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์มันเป็นไตรักมันเป็นอนิจจ์ทุกขังของนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเวทนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆของเรามันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงเราจึงไม่อยากกับร่างกายไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันไม่เที่ยงอยากให้ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่ได้เหมัน มันไม่เที่ยงไม่นามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากจะให้เรามีแต่อารมณ์ดีๆมีจิต ท, ที่สงบเย็นสบายมันก็จิตก็ไม่เที่ยงมันก็มีอารมณ์แปรปรนไปนะเรามองพิจารณาทุก อ, นะอย่างว่ามันเป็นตายั้วถ้าเราไปอยากว่าจะทําทให้เราทุกข์ว่ามันจะไม่ได้ตามใจที่เราอยากได้ถ้าได้ก็ได้เดียวเดียวเดี๋ย ว, ยวมันก็เปลี่ยนไปหมดไปอีกพอเราเห็นว่าทุกอย่างที่เรา ที่เราอยากได้เปนทุกเราก็เริ่มความอยากเนี่ยอยู่แบบไม่อยากได้เลยอยู่แบบเฉยๆวันๆห น, นึ่งไม่ต้องเสร่รูปเสียงกลิ่นแล้วไม่ต้องหาลาบยศเสรนชวนน้ำกายเราก็เลี้ยงมันไปตามอัตภาพไม่ได้เลี้ยงด้วยความอยากในเวลาในเวลาก็ให้มป น, นินในเวลาก็ให้มันนอนอะไรอย่างเงแต่ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาอะไรมาให้ใจต่อไป <c oughs> นอกจากเอาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่น อย่าว่าพระเจ้าหลังจากตัดสิ้แล้วไม่มีความอยากอย่างนั้นว่าพลังกายมันเป็นเครื่องมือสั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราต่อไปเท่านั้นเองอย่ตัวท่านเองไม่ไม่มีความอยากได้อะไรทัานใจขอจงท่านอิ่จของท่านพอแนละ้วมีความสุขกับความความไม่มีอะไรอยู่กับความไม่มีได้พระพุทจก็มีแค่อัอตตาบริขารเท่านั้น มีบาดมีจีวรสามผืนมีอื้นที่กองนะมีเข็มทำได้มีที่ที่รัดเอวเข็มขัดรัดเอวแค่นี้แหละท่านก็อยู่ของท่านมาเป็นพระองค์ะเจ้าสะสมบัติทางโลกก็มีแค่นี้วัดวารามท่านก็ไม่ได้สร้างเองรัดแต่ใครศรัทธาสร้างนิมนต์ให้ท่านไปทักท่านกับไปพักเวลาท่านจากนี้ไปแสดทงทมตาม ท, ท, ท, ที่ต่างๆท่านก็ไม่มีสมบัติอะไรนะ พระพุทธเจ้ามาลั่าสาวงคขึ้นมาท่านอยู่กับความว่างได้ท่านอยู่กับความไม่มีอะไรไนะพวกเรายัางต้องมีนู่นมีนี่กันใช่ไหมมีเต็นไปหมดนะแล้วก็ทุกข์กับมันเวลามันมันเกิดเวลามั น, มนหาให้ไปหมดไปหรือเสียไปอ้ปวดหัวแอเสียกแล้วเนี่ยต้องไ ป, ปเปลี่ยนต้องไปซ่อมแอร์แล <c oughs> ้วเดี๋ยวน้ากายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ต้องไปหาหมอแล้ว ว่าเรายัางต้องพึ่งพาสายสิ่งเหล่านี้อยู่ว่เราไปติดกับมัน้ะเราอยากป็นก็เท่าเหมือนเป็นยาเสพติดไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้นะอันนี้เรามาฝึกปฏิบัติภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวน า, ว า, า, วนาเราก็จะตัดความอยากทั้งหมดให้หมดไปจากใจเราได้แล้วเราก็จะสามารถอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้มีก็ได้ตั้งแต่ตามมีตามเกิดสันโดดยินดีตามมีตามเกิด ใครให้อะไรมาก็ลัใครไม่ให้อะไรมาก็ไม่ก็ไม่เดือด น, น้ออะไรใครอยาอะไรไปถ้าเขาเอาไปได้ก็ให้เขาไปก็มีทางนี้ถ้าถ้าใจไม่มีความอยากมันก็มันก็สุขตลอดเวลาปรามังสุขคั้งตลอดเวลากระจายแล้วยังกระจายมากขึ้นมากครับอาจารย์หยุดความอยากรักความอยากต่างๆ เป็นการปฏิบัติที่ผู้เจ้าสอนให้ทำทานก็ละความอยากใช้เงินเป็นเครื่องมือในการซื้อความสุขต่างๆเอาไปทำบุญดีกว่าแจะได้ความสุขแบบที่ไม่ไม่ทุกข์ถ้า เ, าเอาเอาเงินไปซื้อของตามความอยากเดี๋ยวมันก็อยากไปเรื่อยๆได้แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่พออ ย, อย่างกมันก็ต้องหาเงินมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินไปทำบุญเงินที่เราไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องใช้เอาไปทำบุญมันก็ทำให้ใจเรา ตัดความอยากที่จะซื้อของต่างๆด้วยเงินทองได้ที่ไม่จาเป็นมีไว้สำหรับใช้สิ่งที่จงเป็นปัจจัยสิ่เดี๋ยวถ้าไปบวชได้ก็ไม่ต้องใช้เงินทองเลยแล้วก็มาหยุดความอยากที่จะทำบายุดความอยากที่จะเสกกลามมันคือสินแปดสินห้าสินแปดไป เ้าก็ไปหยุดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งด้วยสติหยุดความคิดพออยู่ควา ม, าา อ, ยวามอยากด้วยด้วยควาหยุดความคิดได้ต่อไปก็ไปสอนใจให้มองความจริงให้เห็นความจริงว่าสิง่งต่างๆที่เราอยากมันเป็นตายลักมันเป็นนะ้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าไม่เทียมทกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังครับเก็บเอาไว้ให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไม่ได้ตลอด มันก็เลยหยุดมันไม่มันไม่เอานะมันรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นทุกข์จะไม่เอาทำไมมันถ้าคุณหมอหรือว่าอาหารทุกชนิดที่เขาทาขายในตลาดนี้มีสารก่อมเะเร็งเนะจะเอาไปซื้อมากินไห ม, ม, ไม เ, เราไม่รู้กันแล้วก็ไปซื้อมากินแล้วก็เกิดมาอะไรกันแน่เนะอันนี้สมมุติอาจจะไม่ไม่ได้หมายความจะเป็นจริงทุกอย่างไป แล้วรู้ใช่ไพอเรารู้ว่าอาหารชิ้นไหนมีสารก่อมะเร็งแล้วเคยชอบเคยกีนขนาดไหนก็ต่อไปนี้ก็ไม่กินแล้วล่ะถ้าออายอประกาศมาอสินค้านี่ขอ น, นี้มีสารก่อมะเรง็งสินค้านั้นก็เจนขายไม่ออก <c oughs> เราต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นเหมือนมีสารก่อมะเมร็งมะเร็งก็คือความทุกข์ใจ เพราะมันไม่เทีย่ยงเพราะมันทำให้มันเที่ยงไม่ได้เห็นแค่นั้นหละหละักความจริงก็อยู่แค่นั้นต้องเห็นใจละถ้า น, นก็จะไม่ไม่อยากจะได้อะไรเพราะถ้าเราไปเอาความทุกข์มาโอเคเข้าใจครับหมนะอเข้าใจมากขึ้นมากครับรก็จะรยกลับบอว่าคนอย่างสูงครับ มันก็กลับมาที่การปฏิบัติทางศีลภาวนาเนี่ยนะโอเคไปแบบที่คุณทิติมาเชิญอันนี้อยู่ที่ไหนอดอนเมืองไหมอยู่กลับม า, าสักนั้นค่อาจารย์อยู่ดอนเมืองค่ะ ม, มีอะไรไหมอันนี้ไม่มีคําถามค่ะนนพยายามฝึกสติตลอดเวลาค่ะพอาจารย์โอเคพยายามหยุ่ยิ้ให้ได้ก่อนนะได้ค่ะพระอาจารย์โอเคไบที่คุณสาธกา ไปงานคนสาธารณใช่นะค่ะไม่มีอะไรกับอาจารย์มาฝักทำค่ะไม่มีไม่มีอะไรก็ดีนะว่างเหมือนเลยอ่ะอ่อย่าไม่มีอะไรอันนี้สุด น, นะอยู่อยู่ความว่างอันนี้สุดค่ะ แ, แต่มันมันชอบมีคนก็มาคุณ <c oughs> <c oughs> บอยก็ปล่อยมันเข้าไปเแต่เราเราอย่าไปยุ่งกับเขากันเข้ามาก็าปล่อยเข้ามาเขาไปก็ปล่อยเขาไป เราก็ไห้รู้เฉยๆไปนั่นเองจ้าจ้าจ้าจ้าค่ะอย่าปรยัดให้เขาไปอย่าไปรยาดให้เขาอยู่เขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปอ่าปออเออพอเกณฑใจแล้วมันจะเรื่อยๆมันก็จะลากไปยาวๆเราก็ลองเฉยเลยไม่ต้องไปทําตามที่ก็บอกไม่ต้องไปเกณฑใจเขอ ลูกก็ว่าลูกจะเอาทํานองนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันเหมือนเกรงใจกลัวเสียน้ําใจแล้วมันมันก็จะไปเรื่อยๆๆเรื่อยเรือยื่อน้องดาหมาบอกถ้าไม่ไม่เกรงใจคนท่านเกรงใจท่านเกรงทำอะไรที่มาถัดกระลาบทำถ้านไม่ท่าไม่อ่านว่าท่านบอกถ้าเกรงใจคนทำก็แหบลบะเขาเขาแบบมันเหมือนคนละแนวอ ม, มัน มันไม่ต้องไปเกรงใจเขาเขาจะไม่พอใจกันเลยของเข า, เปเา ไ, ไ, ไปแล้วไม่จะไปทําอะไรเราอยู่เฉยๆของเราอืมค่ะเราเป็นตัวปัญหาเองถ้าอยู่ดีๆเขาก็มาชวนเรา่านี้แล้วเราไม่ไปก็มาโกรธเราแล้วมันอะไรแล้วก็อยู่ของเราอยู่ดีๆอยู่นี้ไม่เลยทําอะไรให้เขาเร า, าลูกเป็นคนขี้เกรงใจกลัวเสียงของใจก็เลยแบบพออันนี้ต่อมาอีกมาอีกเลยรู้สึกว่าแบบ <S <S เราอยู่ของเราดีๆก็ยังยังไปลากเขาแไปห่วงเขาไปไม่ไปเยึดติดกับเขาอยู่หรืว่าหรือว่าถ้าถ้าถ้าจำเป็นยังไงก็ทําด้วยความเมตตากรลยาณ์ไปก็ได้ถ้าเขาต้เดือดร้อนมาช่วยแล้วก็ไปทําบุญไปก็ได้อยู่ ม, มันก็ไม่ใช่อะไรอะค่ะมันก็มันก็อันนั้นลูกไอ้ไอ้เรื่องช่วยอะลูกอันนั้นแต่ว่าถ้าแบบเออลูกก็เลี้ยงอะไรแบบ ลูกเป็นคนแสงก็บอกลูกใจดีแม่โลกก็บอกลูกเป็นคนอย่างเงี้ยขี้เกียจใจแล้ ว, ลว ก, กันนั้นเราต้องจากปฏิเสธนาง้าไมงั้นเราก็จะเสียเสียได้เสียธรรมะคือความสงบเราอยู่ของเราสงบดีๆแล้วเดี๋ยวก็ชวนเราไปทํานู่นทํานี่ให้มันวายใจขึ้นมาใช่ใช่พ<ๆ>อบอกคนนี้พ อ, อใจดีมันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเลย ต้องตัดต้องเยอะต้งกล้าอยู่คนเดียวคนนี้ลูกอะอยู่คนเดียวได้พระอาจารย์ลัวชอบอยู่ลูกอยู่แต่ในเงี้ยแล้วพอเวลาเขามาหาเนี้ยพอวันนี้ก็ลูกก็เกรงใจอะแล้วพอมาเอาอีกลูกก็เลยแบบคือลูกอะอยู่ได้ลูกเป็นคนนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ลูกก็ไม่ได้ไม่ได้คนอันนั้นนะพระอาจารย์ลูกก็ไม่ใช่คนที่ติดแตกชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะ อย่างเงี้ยลูกคุยได้แต่ว่าอพอคุยคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้มันเหนื่อยมันเหมือนมันใช้ใช้ความคิดอย่าไปคิดตามเขาเ่ยเขาพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วก็พูดโตพูดโตไ ป, ไปในในใมาใหญ่ๆของเขาเดี๋ยวจะเอาตอนนี้มันงก็ได้ก็ใชนะ่ปล่อยเขาพูดไปแล้ว <c oughs> พอยักหน้าพอยักหน้าแล้วก็พูดัวพูดัวไปอันเนี้ยจะ คข <c oughs> ออจคับคันะโอเคใรนี่คันนี่แบงก์รุค <c oughs> OK ุณสันนี่นนกลาวนมัสการ์ค่ะครับาอาจารย์ไม่มีคำถามคะ่ะแต่ว่าวันนี้หนูได้ไปกล่าสักสการะพระบ ร, รมสารีริกธาตุที่สนามหลวงมาคะ่ะได้พลังมาเยอะเลยค่ะอาจารย์อ่าดี ทำพราหมณมาปฏิบัตินะไม่ยอมมาทำพราหมณ์ดูหนังฟังเพลงนีค่ะอาจารย์อาจจะปฏิบัติค่ะจ่ายขอบพระคุณค่ะอ่าสาธุไปที่คุณตายพัทยาน้องการน้ำมศการค่ะพระอาจารย์ก็ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์พอดีวันมาร์คขาที่ผ่านมายอมไม่ได้ไปที่นาคุติใช่ไหมคะ แต่ใจอ่ะตั้งใจอยากจะไปแต่ว่าลูกค้าเยอะก็เลยอาไม่ไปไม่เปไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรก็เลยไปเข้าห้องที่มันเงียบๆอะค่ะ mm hmm. นั่งฟังพระอาจารย์เทศพ อ, อนั่ง mm hmm. ก็รู้สึกสงบดีแล้วก็ติดสายค่ะพระอาจารย์ตอนเย็นก็มานั่งสมาธิโดยไม่มีเสียงทำพระอาจารย์นะคะแล้วก็ทําทําแบบนี้มาเนี่ยค่ะจนถึงวันนี้่ค่ะพอถึงบ่ายสองยมก็ไปนั่งที่ในห้อง ฟังธรามพรอาจารย์ได้หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วตอนเลิกงานปุ๊บก็เดินเข้าบ้านก็เข้าห้องก็ไปนั่งสมาธิเลยจะได้ไม่ดึกมากก็เมื่อกี้ก็นั่งนั่งมาก่อนแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ดดะดีไม่นองไปวัดก็ได้ถ้าเรามีที่สงบของเราค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเวลาโยมนั่งเนี่ยมันมันมันหลังเรามันจะงอๆอ่ะพระอาจารย์นั่งไม่เป็นไรนะ<ต>ไม่ไมไม่เป็นไรแล้วมันจะงองไม่งอง เวลาเราเริ่มต้นเราก็ตั้งให้มันตรงแล้วเราพอเราเริ่มภาวนาเป็นดังอ๋อก็มันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราสติละของเรามันทีมันก็ต้องออกไปไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแต่ว่ายอมใช้วิธีแบบไม่ไม่ขยำนะคะก็คือสูตรลมหายใจลึกๆแล้วทําตัวยืดๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าหลุดจากสมาธิไ ป, ไปแล้วหรือว่าอย่ไปยุ่งกับร่างกายแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปหายใจลึกๆอปล่อยให้ร่างกายมันหายใจของมันเอง ไม่ต้องไปบังคับบันน่าหายใจเลยมไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับเรื่องร่างกายพอเราเริ่มดูลมแล้วก็เราก็ดูลมของเราไปลมมันจะหยากจะละเอียดจะจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับมันให้รู้ตามความเป็นจริงของมันค่ะตอนแรกๆพอหลับตาปุ๊บจิตของเรามันจะวิ่งไปทุกที่ทุกทางเลยพยายามพยายามเอาแบบอ ความรู้สึกที่ว่าเรากังวลอันนัอันนี้หนูก็ไปทําทําให้มันครบแล้วก็ถึงจะมานั่งแต่พอนั่งแล้วมันก็มีเรื่องอื่นให้กังวลอีกแต่แต่แตป๊บเดียวนะคะพระอาจารย์มันก็นั่งไปได้เรื่อยๆพอพอโดนท้ายท้ายอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราจะเรียกสติที่กําลังมันเหมือนจะหมดมันเหมือนพอมันใกล้จะหมดปุ๊บพุทโธไปองพุทโธไปท่องพุทโธไปหรือสวดมือนไปถ้าเราอยากให้มีสติเพิ่มมากขึ้นอ๋อใช่ ก็ก็นี่แหละค่ะที่ว่ายมจะถามว่าจะทํำยังไงให้มันแบบว่าอไม่ให้เรื่องอื่นเข้ามาพอพอสติหรือว่ากําลังเราจะหมดนะทุกอย่างมันจะเข้ามาหมดเลยมันจะแบบปุ๊บปุ๊บ๊แบบเข้ามาเร็วมากแล้วแบบเราจะสู้ตรงเนี้ยมันไม่ไหวแล้วเราจะถอนออกมาหลายรอบว่าหรือว่าต้องค่อยๆโตก็ได้ทพุทโธพุทโธพุทโธไปส่วนบนไปส่วนเอติปิโสไปส่วนบนไหนที่เราส่วนได้ส่วนไป มันก็จะช่วยสร้างพลังขึ้นมาใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วระหว่างวันช่วงที่เราทํา ง, งานนีก็ช่วงหมายว่าช่วงหมายพอจะพุโทโธแล้วก็พุโทโธหยุดความคิดบ้างถ้าถ้าไม่จําเป็นอย่าต้องคิดนะก็พุโทโธพุโธบ้างคอยสกัดความคิดอย่าเพื่อที่เวลาจะนั่งมันจะนั่งได้ไดง่ายสงบได้ง่ายนะสงบได้งานแล้วพอหมดกําลังก็เราก็ใช้พุโธพุโทโธไป ยังก็จะรู้สึกว่าสงบนั่งดูลมต่อไปได้ก็ดูลมต่อไปก็ได้อืมอาจก็ตอนนี้ก็กำลังเริ่มรู้สึกว่าเรามีเวลานี่นาเราเราปิดเวลาได้นี่นาแต่ทุกครั้งก็ลาเลยตรงนี้ไปรู้สึกว่าถ้าเริ่มจากจุดนี้ได้คิดว่าน่าจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาค่ะพระอาจารย์ก็มีเราไม่เราไม่เอามาเอามาใช้เองนั้ให้กิเลสเดินไปใช้หมดเนะ ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ย ว, วเดี๋ย ว, ยวต่อไปอ่ะเดี๋ยเรามีเวลามากกว่านี้อีกนั่นแหละเวลาหลังจากที่กิเลมันดึงไปนี่แล้วเอาดึงกลับมาเรียกคืนมาใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันมะข่ายที่ผ่านมาแล้วหนูไปนั่งตอนเย็นนะ่ะหนูไม่ได้ดูไลฟ์สดแล้วไม่ได้เสียตังค์เลยค่ะอาจารย์เพราะเพะแบบว่ า, ามัอ อ, าาออกมาปุ๊บไลฟ์สดก็จบไปแล้วเออเราดูย้อนหลังไปแล้วก็แต่แต่ก็ไม่ได้ดูนะคะอาจารย์รู้สึกว่ากําลังสติมันก็ มันก็ยังดีที่ว่ามันมันทําให้เราแบบว่าเอ อ, อมไม่ดูก็ดีนะไม่ดูก็ดีก็ดูว่าจะทําไปได้สักกี่มื่อสักกี่กี่น้ำก็แล้วกัอย่าอย่าเพิ่งประมาทนย่าไปคิดว่าเราเก่งของมั น, นอันนี้มเวลาจะปล่อยเราให้เราเลาเรื่อดีใจไปสักพังเดี๋ยวมันเริ่มต้านเราขึ้นมาไรทีนี้ก็มันจะสร้างเหตุแล้วต้องไปทํานู่นต้องไปทํานี่คนนู่นคนนี้อะไรดูสิเราอย่าลืม ยึดยึดยึดยึดเวลาเหล่านี้จะไม่ทํำระยะให้กับการปฏิบัติให้ได้หรือเปล่าต้องมีสัจจะสี่อ่าไม่ีนเวลานี้เป็นของของการปฏิบัติทำเพราะว่าจะเกิดซึ่นต้องถ้ามันแค่เป็นเรื่องขอขาดบาปแต่เราต้องต้องต้องต้องมาทําให้ได้เหมือนรูตจ้าเวลานั่งใต้ต้นโพบอกอย่าไม่ลุกจนกว่าจะตัดสโลนต้องนั่งสัจจะด้วย ถ้าต่อไปมันจะกิเลสมันจะไม่มีช่าที่จะมาแอบมาหลอกเราให้เราไปทํานู่นทํานีไ่ได้เราก็ยุ่งเรื่องเรื่องคอขาดบาดตายเอาเช่นแปลนไม่สบายต้องรีบไปส่งโรงพยาบาลอะยอมยอมยอมนั่งไม่ยอม เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เข้าห้องนั่งสมาธิไม่ได้มันเรื่องคอขาดบาดตายเข้าไปแต่ถ้าเรื่องไม่เป็นคอขาดบาดตายถึงเวลาเข้าห้องเข้าไปเลยไม่สนใจใครแล้วนั้น สวพรอาจารย์เดี๋ยวจะลองอตามดูส่ะพจดูไปเรื่อยๆดูซิว่าเราจะทำได้นะแตถ้าตั้งสัจจะ <c oughs> มันก็ได้ถ้าเราเด็ดเดียวเราเอาจริงกับใจรเราไม่ยอมผิดสัจจะมันก็ต้องทำใช่ไหมใช่ก็ถ้าตั้งแล้วมันก็มันก็ยากอยู่แต่ว่าแต่ก็อย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละคะ่เดี๋ยวมันหลอกเราหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ถ, <ใจ S 1> ถ้าเราอย่างาเราเลยอยูลลอย่แสดงว่มามันมันหล่อเราแ น, น้วเนี่ยมันหอนอกให้เราทําให้เราดีใจพอพอเราพูดใช้ตั้งสัจจะนี่เริ่มโรเลยแล้วพี่เล่มันเริ่มไม่ไหวแล้วขอจงให้ย้ำครับอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมารายงานต่อว่าทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับอาจารย์มันมันต้องมันต้องไปนานๆอาทิตย์สองอาทิตย์มันยังวาดไม่ได้ต้องว่าไปต้องกันเดือนๆอะไรหรือถ้ยังทําต่อไปได้หรือเปล่า เจ้าข่จะมารายงานทุกวันทีเจ้าข่ะอาจารย okay, ์โ<า>อเคดีคถไปนาราที่ว่าแม่ลูกบณดิศยากับคุณอุาสาราชการข่วพระอาจา ร, ร, รย์ลูกไไม่ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรมาฟังทำค่ะ มักบูชาไปบูชาบาับาง่งรึเป่าไปปฏิบัติบูช า, า, ามันบ้างรึเปล่าโยมโยมไปที่วัดบนเขาค่ะอาจารย์ไปช่วยพระอาจารย์ที่วัดที่ไอปโจค่ะช่วยเขาจัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าโยมก็พอถึงเวลาสองทุ่มไปถึงเที่ยงคืนก็เดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิค่ะอาจารย์แล้วแล้วก็ที่นั่นเป็นที่ที่สงบแล้วก็เงียบจากเดิมที่ว่าเป็นคนกลัวผีใช่ไหมคะมแต่วันนั้น เอ๊ะมันมารู้สึเอ๊ะทำไมเราเดินไปห้องน้ําคนเดียวเดินไปทั่วัดคนเดียวดีที่เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกยาเยื่อก่ะค่ะอาจารย<ม>์เดินต่อไปลงตรงลานตะเคียนก็เฉยๆค่ะมันเหมือนกับว่าพอมีสติไงถ้าเรามีสติมันก็จะเฉยได้ค่ะมารู้สึกเย็นไปไม่เหมือนเดิมอะค่ะอาจารย์จากเดิมที่ว่าเป็นคนที่ถ้าไปห้องน้ําคือที่วัดนั้นโยมไปอยู่นอนประจําอะค่ะแต่ว่าพอจะไปห้องน้ําเนี่ยจะกลัวต้องมีเพื่อนไปเป็นเพื่อนแต่ครัวนี้ก็คือเดินได้ เที่ยงคืนก็ยังเดินอยู่แบบไม่ได้กลัวอะไรค่ะอาจารย์ mm. Mm. ยม mm. ค่ะยมมีคำถามอันนึงค่ะอาจารย์ยมคำว่ า, าบารมีสิททัศน์นะคะอาจารย์คำว่าอุปปาารมีปรมัตสปารมีนี่มันต่างกันยังไงอะคะต้อง mm. ต้องขยับ เ, ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปเปิดถามก<ม>ูเกิลหน่อค่ะไม่ใช่ค่ะยมอยากรู้ว่า ไอทานแล้วก็ที่เข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะมันจะมีอะไรเป็นตัววัดแบบนั้นนะคะอาจารย์ก็มากน้อยไงถ้าเต็มที่ปรามัชญา ก, ก็ให้หมดเลยเนี่ยไปบวชเนี่ย อ, อย่างเจ้าชายสิทธัตถะกษสละนาชสมบัติไปเนี่ยฟังธรรมจะต้องเต็มเต็มร้อยทำอะไรก็ต้องเต็มร้อยค่ะคืออยากรู้ว่าเออมันมันมีมันมีมนม มันมีบันไดต่างกันขนาดไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะคะจ๊ะาล้วมากน้อยดูเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินที่เราสละไปลอยจากไปอป่ตอนนี้เระทรัพย์สิ น, นายได้ของเราทําบุญสักกี่เปอร์เซ็นต์อนะ่ะอันนั้นเรื่องทานทานได้อยู่ค่ะทีนี้มาติดตรงเมตมตาเพราะว่าโยมเป็นคนเหมือนกับเป็นคนที่มีโทสะขีโมโหทีนี้โยมต้องเมตตาต้องเมตตาขนาดไหนอจ๊ะก็ไม่โกรธเขเลยเต็มที่เต็มน้อยก็ไม่โกรธใครเลย แต่ตอนนี้คือพอโกรธปุ๊บ ก, กลับมาคิดได้ก็ยังยังมีคุ่นอยู่แป๊บหนึง่งก็ยังเฉยได้แล้วค่ะ อ, <Okay. S 1> อาจารย์ต้องให้อภัยต้องให้อภัยเาได้ต้องไม่โกรธเลยใช่ไหมคะถ้าโกรธก็อย่างน้อยก็หยุดมันไม่ให้มันอาฆาตพยาบาทค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์กิกเลยกลายมาขโมยของที่เราชอบไปพอรู้ว่าเป็นเขาแนละ้วจะโกรธเขาไหม ต้องก่อนแล้วจะต้องไปเอาคืนต้องบอกว่าอ่ะยกให้เขาไปทําบุญไปถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือไปเลยค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้คือแบบรู้สึกว่าอย่างดีเมื่อก่อนคือแบบว่ามีอะไรต้องเคลียร์ตอนนี้ก็คือยังปล่อยมันช่างมันค่ะไม่เคลีย ร, ไ ร, ยร์ไม่คุยประมาณนั้นนะคะก็เวลาผ่านไปเลยใช่ประมาณนั้นนะคะจะไม่อธิบายไม่อะไรทั้งปิ้งก็เฉยๆแต่เมื น, นี้ตอนนี้ยมมาพบตัวเองว่าจากที่น้องเขาพาไปเลี้ยงเลี้ยงว่า ไปละค่ะอาจารย์ทีนี้แปลว่าพบว่าเวลาเราไปนั่งกับเขากินนะคะแล้วก็นั่งกลมหน้ากลมตากินเราไม่ได้กินไปคุยไปอย่างเดิมแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราแตกแยกมือนกับว่าเราควรจะถอยออกมาจากสังคมตรงนั้นมากกว่านะคะอาจารย์สังคมก็เวลาเจอกันก็ต้องคุยกันไม่ใช่เ <c oughs> นอะก็คือมันกลายเป็นว่าความนิสัยะคะ่ะอาจารย์แบบว่าพอเราฝึกมาแบบเรานั่งกลมหน้ากลมตาเราไม่คุยกบใครใช่ไหมคะตอนกิน นนก็อย่าไปแล้วกันถ้าเราแตกแยกแล้วก็เ ร, กเราก็ต้องยากไว้นะปอยู่มากเลยก็รู้สึกแบบนั้นนะพอไปรอบนี้รู้สึกว่าเออเราแปลกแปกไปแล้วล่ะไม่มีอะไ ร, เ, ระเขาเขาเขากินไปคุยไปเราก็ก้มหน้าก้มตากินมารู้สึกตัวเองที่มันเหมือนคนเสียมรารยาทเนี่ยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นความจริงเขาเสียมรารยาทเวลากินแล้วคุยอย่างนั้น <laughs> ไม่เป็นมารายาทที่ดี มาญาติเดียวแล้วกินก็กินอย่างเดียวไม่ให้คุยกันอย่างพระนี่ท่านฉันก็ฉันแบบไม่คุยกับใครก็มารู้ตัวเอ๊ก็เลยบอกจะขอโทษน้องเขาหน่ว่าเออท่านไปกันก้มหน้าก้มจา ก, กินไม่ได้คุยด้วยรู้สึกแปลกๆอยู่ค่ะอาจารย์เคกค่ะท่านเขาไม่พูดอะไรเขาไม่ทักอะไรเขาไม่ทำไม่พูดอะไรท่านเขาทักท่านเขาทักเขาบอกว่าน้องฝึกมาทําอย่างนี้มาเป็นนิสัยใชิเป็นนิสัส<า>ยใช่ครับติดเป็นนิสัสยไปแล้วค่ะ วันนี้ก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์พระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยววันุกนี้ไปไปบ้านนะคะจะไปภาวนาค่ะพระอาจารย์โอเคดีลูกเข้าไปคนเดียวค่ะอาจารย์ยมอยู่บ้านเอเคแยกกันไปกันเองคนอยู่บ้านก็จะได้ภาวนาได้อยู่คนเดียว โยมก็ใช้วิธีแบบที่อาจารย์บอกน้องคนแรกๆค่ะว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งภาวนาแต่เราก็อยู่กับการที่เราทํางานอยู่กับปัจจุบันใช้วิธีนั้นมาใช้ได้อยู่าาอาจารย์อ่าก็ฝึกให้จิตยอย่าไปไปอดีตไปอนาคตให้ให้อยู่ ง, งานที่เราทําอยู <c oughs> ขอขข่ขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุอ่าได้คุณฝนต่ อ, อคุณฝนท่านยาเนี่ยสัญญาเตานะ หนัสการค่ะพระอาจารย์หายไปสองอาทิตย์พอดีลูกสอบด้วยค่ะแล้วก็เลยก็เลยไม่มีไม่ได้เข้ามาแต่ ว, วันนี้จัด ก, การเรื่องติวหนังสือเขาเสร็จแล้วก็เลยแบบถือโอกาสเข้า ม, มาคะก็อาทิตย์นี้อยากจะมา ก, กราบเรียนถามพระอาจารย์นะค่ะว่าคือหนูมีความรู้สึกว่าความอยากอะค่ะมันมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยะค่ะพระอาจารย์เหมือนพอเวลาที่หนูลดละความอยากในในในห ล, หลายๆเรื่องได้อะคะ่ะ มันก็จะมีความอยากอย่างอื่นเข้ามาทับถมต่อแบบทันทีต่อเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันมันรู้สึกว่าลําบากจังเลยอะค่ะอาจารย์ต้องสู้กับมันไปก็ใช้สติใช้ปัญญาหยุดเวลาปัญญาแล้วก็หยุดด้วยสติก่อนก่อนนะพุโทโธพุทโธหรือถ้าใช้ปัญญาได้วก็บอกสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์นะเพามันไม่เทียมทอนไป ก็มันบางครั้งก็ใช้พุทโธค่ะช่วงนี้แบบเหมือนจะเป็นอย่างมันภาวนาพุทโธแล้วใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันก็มันก็หยุดไม่ได้ะค่ะอาจารย์เม่เราไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องใช่ใช่ต้องฝึกสติทั้งวันทั้งคืนึนจะสู้กับมันได้ก็ก็ เพือฝึกสติก็ก็พยายามฝึกเรื่อยๆค่ะอาจารย์แต่ก็อาจจะอย่างที่ท่านบอกว่ามันมันไม่ไม่ต่อเนื่องทั้งวันตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่ดีขึ้นหน่อยหนึ่งก็คือว่าไม่ค่อยได้ไปไม่ไม่ได้ค่อยได้คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือว่าไปคิดเรื่องคนอื่นนะคะแต่ว่ามันจะไปทางลักษณะเหมือนแบบเอกิเลสมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แต่ว่าเริ่มคิดไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ค่ะก็ต้องยอมแล้วเราะตอนนี้กิเลสก็ยังเป็นเจ้า เขยังเป็นแชมป์อยู่แนละ้วเป็นผู้ที่ยังโน้มแชมป์แล้วก็ต้องพยายามสู้เขาไปเรื่อยๆเขา<ๆ>เขาไม่ยอมเราง่ายๆแล้วก็ก็ต้องจะพยายามเอาชนะมันอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ค่ะหนูมีปัญหาเรื่องปวดหลังใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นหมอนรองเสื่อมอยู่แล้วแล้วทีนี้หนูก็ไปไปฝึกกอล์ฟอะค่ะพอฝึกมันกลับมาบาดเจ็บมาค่ะแล้วพอหนูมานั่งสมาธิแล้วมันทําให้แบบ ม, มันมันมี อุปสรรคทางด้านร่างกายอ่ะหนูก็เลยคุยกับแฟนแล้วว่าหนูจะไม่ได้แล้วค่ะหนูจะไม่ไม่ไปฝึกต่อแล้วคือหมายถึงว่าถ้าจบนี้ก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าให้เลือกระหว่างเอไปเล่นฝึกกอล์ฟกับเลือกเก็บเก็บนักษาร่างกายเอาไว้อ่ะค่ะเพื่อที่จะมานั่งสมาธิค่ะหนูก็เลือกหนูก็ตัดสินใจที่จะเลือกทางหลังนะคะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วนะอ่าอย่าไปเกณฑ์ใจคนที่เกณฑ์ ใ, ใจเกณฑ์ ใ, ใจทําดเลยปะ เราไม่ได้เกรงใจงเขแล้วก็คือเหมือนแบบก็ต้องเลือกค่ะพระอาจารย์ถ้าเรา <c oughs> อยากจะไปตามกิเลสมันก็มันก็คงจะลําบากนะคะก็เหมือนที่พระ <c oughs> อาจารย์บอกค่ะก็มันก็บางครั้งหนูก <c oughs> ็ขอชนะมันบ้างเหมือนกันค่ะก็ต้องอดทนอ่ะแล้ว <c oughs> ก็ต้องน้มโลคุกคานสู้ขเขาไปขเขาต่อยบ้างแล้วว่าต่อยเขาบ้างอย่างนั้ยก็เราพยายามสู้ขเข้าไปแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆกาลังเราก็จะมากขึ้นความคว <c oughs> ามความรู้ความฉลาดของเราก็จะมากขึ้นไปเองค่ะ <c oughs> Mm hmm. ก็พยายามฝึกนั่ง น, นะคะพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่ามันบางทีข้อเสียสําหรับหนูอะค่ะหนูนั่งไปใช่ไหมคะบางทีมันก็ยังไม่ถึงกับคือบางคำก็นั่งได้นานนะคะสำหรับว่านานสำหรับหนูขึ้นไปถึงว่าเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนบแบบสักสี่สิบนาทีอะคะ่ะแต่ว่าเหมือนบางทีมันก็อาจจะยังไม่ทันได้เจอเวทนาที่แบบรู้สึกว่าโอ๊ยหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นจะต้องออกมาแต่อยู่ๆมันก็มันก็แดงออกมาเองเลยคือเหมือน หมดสติเองสติหมดฉันมีมวลกำลังมันก็เลยถูกกิเลียนดันออกมาคือแบบคือแบบไม่สู้ต่ออ่ะค่ะพระอาจารย์ใช้คํานี้เลยค่ะเราไม่หืนเราต้องขึ้นสู้ต่อต้องพุทโธพุทโธสู้กับมันต่อค่ะนึกสวยมวลนะลืมตั้งการสาริสองไปค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูจะลองลองไฟแบงค่ะลองสู้มันกลับดูเพราะว่าหนูชอบแบบ S 2> <S 2> เหมือนที่พระอาจารย์อาจจะบอกแล้วมันมันออกมาเลยอ่ะค่พะพระอาจารย์แบบไม่มีอะไรเลยนะคะเราก็แบบ <m> เหมือนพอละแล้วก็ลืมตายอย่างนี้เลยอะค่พะพระอาจารย์กิเลนมันมาหลายรูปแบบด้วยกัน<า>เรานะต้องพยายามหาวิธีสู้มันไปครั <S 2> <S 2> ้งหน้าหนูจะกลับมาที่พูดโธให้ให้มากกว่าเดิมค่ะคืออาจจะแบบเหมือนพูดโทแค่แป๊บๆแล้วก็แบบไม่ไม่สู้ละอะไรเงี้ยแต่งั้นเดี๋ยวจะจะนึกถึงคํา ที่พระอาจารย์สอนวันเนี้ยค่ะว่าอหนูจะหนูจะสู้มันกลับบ้างนะคะก็ลองดูแล้วกันนะครัพระอาจารย์ค่ะก็โอเคค่ะวันเก้ามีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์โอเคพยายามอยู่ี่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์กขอบคุณมากเจ้าค่ะโอเคไปที่อาจารย์ผมไม่ไร่ไม่ไงคนป่วยกลับบ้านได้แล้วเลยกลับบ้านวันนี้เองค่ะ เมื e> ่อก no ี้มานั่งรอพบอาจารย์ลุกมันละค่นลุกมันไหวไหมถ้า่ถ้าไม่ไหวไม่ต้องลุกก็ได้ไหวแค่อยากอยากมากราบอาจารย์อาจารย์ที่หายอให้หายเป็นปกตินะไหวไหวหายไปหายหายดีห้คืนนะครับเพราะก็ฝุดค่ะก็ดีขึ้นนะตอนนี้ต้องฝุกหายใจอลึกๆค่ะ ก็เลยบอกน่าจะปฏิบัติทําได้แล้วพูด ใ, ใจเข้าวัคคุโธ<อ> ใ, ใจเอาวัคค<อ>ุโต้องทุกท่าน<อ>ในปฏิบัติทําจริงๆังค่ะเที่ยวเนี้ย อ, อาการอะไรค่ะทางการทุกอย่างก็สบายดีนะไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนใช่ไหมปวดตรงไหนเออมันมันไม่ถึงกับปวดอาจารย์มันคล้ายๆกับมันตึงอะฮะที่แขนตรงซี่โครง แก็ร้อยร้อยท่อเข้าไปฮอืมแล้วก็ระหว่างที่ร้อยท่อชิงไว้เนี่ยเพื่อจะให้ระบายน้ําเนี่ยมันก็มีความตึงเครียดตึงอยู่ตรงที่นั่นแต่ตอนนี้เอาเอาท่ออะไรออกหมดก็เรียบร้อยดีครับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ดีโอเค okay. น่าจะหายเร็วๆ เ, เนี่ยนะครับก็ไหวกลับบ้านได้อะ ก็มาฝึกหายใจที่บ้านค่ะอ่าโอเคเยอะยตอนนี้ก่อนนะอย่างนี้ใชับแกอนะไปที่โกเบคุณจุ๊บกลับสกนค่ะเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคฟังเฉยๆนะโอเคยนไปที่คุณหมอภาษนาต่อ ค่ะคุณหมอค่ะการทำพิธีการค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังปฏิบัติสมหวังเสมอนะคะก็ยังรู้สึกดีอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็อาการของหลวงพ่อก็สบับที่เจ็ดแล้วค่ะอก็คือโทรเรียกเพื่อนนะคะยังเดี๋ยวจะจัดเวลาไปน่าจะได้ไปไม่เกินสองอาทิตย์นะคะเราคุยกันคือไม่ยอมเยี่ยมกันเขาไม่เขาไม่ยอมใช่ใช่เขายังไม่ให้เยี่ยมแต่ว่าจะไปให้กําลังใจเพื่อน พราเขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาเขายังไม่ได้เยีมค่ะพระอาจารย์แต่ท่านก็ก็ดีขึ้นนะคะข้างซ้ายก็ปอดก็น้ำก็ออกน้ลงคือออกน้อยลงแล้วก็เขาถอดท่อเอหายใจออกแต่ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนิดนึงเขาก็เลยใส่ท่ออยู่ใหม่่าแต่ทุกอย่างโดยรวมก็ดีขึ้นแล้วก็วันนี้ก็หมอหัวก็ใส่ใส่เอเหล็กกระทำในกระสโพกระสเอโกซ้ายหักแล้วก็น่าแข้งซ้ายก็ใส่ใส่เหล็กไปแล้ววันนี้อืม แต่ถ้ารู้ตัวรู้ตัวแล้วก็สามารถจะทําตามที่ที่หมอบอกได้ข้างขวายกได้เลยแต่ข้างซ้ายก็ขยับได้มากขึ้นนิดนึงค่ะเพราะข้างซ้ายเข้าอะค่ะอาจารย์อ๋อต้องใช้เวลานะอ๋อใช้เวลาเยอะเลยครับเพราะว่าเนี่ยวันนี้ดีแล้วนะคะเพราะว่าเขาเพาะเชือ้อตอนแรกเนี่ยมันมีติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสะเลือด ก, ก, ก, กับในปอดแต่วันนี้เขาเพาะเขาเพาะเชื้อแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะแต่วันนี้พอตรวจปุ๊บเนี่ยเชื้อไม่มีแล้วค่ะเชื้อในกระแสเลือดกับในปอดไม่มีแล้วอก็อาการดีขึ้นในลำดับ แล้วก็ ก, ก็ก็ตัวเองก็ปฏิบัติต่อนะคะก็คือรู้สึกว่าใจคือคือใจยอมรับได้ทุกอย่างเลยพระอาจารย์แล้วก็เห็นถึงแบบว่าความไม่แน่นอนที่หลวงพ่อท่านเคยสอนแล้วพูดไว้ไอ้สิ่งที่ท่านสอนเอ้ไว้เข้ามาเ อ, อ่อลุกขึ้นมาถึงที่ท่านสอนเอามาตั้งใจทำไปดีเรื่อยๆ เ, เลยค่ะอาจารย์ใจนะเป็นใจนลผม <laughs> แล้วก็ความ ความไม่ประมาทคือว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไหร่คือเราทำไปที่เรื่อยเฉือยๆเนี่ยวันหนึ่งคือแบบว่าเพราะถ้าเกิดเรายังไม่ไปถึงไหนเนี่ยโอ้มันก็ได้กลับมาใหมา่ถ้าไม่เจอมาตุลอาจารย์เดี่ยวจะสวยเลยเต้องลองเรื่องนี้เลยนะพี่ต้องเหยิยบคันเล็กแล้วตอนนี้ต้องสิ่งนะ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ้เห็นเลยอะ่ะโอ้ท่านทำไม่เห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นเลยเพราะอาจารย์หมอที่ที่แล้วงงเลยแบบเอ้ยเห็นเห็นเลยเราต้องประมาทแล้วพี่อาจารย์เดี๋ยวต้องจัดไปลาดีๆนะ เดี๋ยวถูกป่ถูกเป่านกหวีดนะหมดเวลาใจพระอาจารย์ไม่รู้วันไหนใจพระอาจารย์อันนี้เห็นเลยพระอาจารย์เข้าไปถึงใจเนี่ยโหแบบพยายามความเพลียากี่เกียะมีเวลามากพอให้เอามาปฏิบัติให้มากที่สุดโอเคนะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไปที่เท็กซัสอยู่ใกล้ไฟป่าแล้วป่าคุณสุภัสตาได้ข่าวไปไฟป่า กลับน้บมันการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกจะไม่ได้ตามข่าวเลยเจ้าค่ะไม่ค่อยได้ตามข่าว อ, อะไรใหญ่ในขนาดประเทศไทยอย่างนี้ขนาดประมาณประมาณเจ้าค่ะอประมาณนั้นเจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะอันนีแม่น้องเลียต่อพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจงจ้า ค่ะถค่ะพระอาจารย์คะวันนี้หนูก็ไปพบแพทย์นะคะที่ว่าน้าตรวจจะผ่าตัดครั้งต่อไปะคะ่ะผ่าตัดใบหน้านะคะ่ะพระอาจารย์ก็คุณหมอจะประกบสองท่านนะคะครั้งนี้หนูก็เลยมองพิจนารณาตัวเองอะคะ่ะพระอาจารย์คือด้วยที่ว่าอ่าหนูคิดว่าใจหนูสุขและร่างกายไม่เอ่อจะมีปัญหาเลยก็ช่างหนูก็เลยมองตัวเองว่าเหมือนศพคะ่ะพระอาจารย์ที่แบบยังมีลมหายใจอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ ก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนรถที่มันพังแล้วก็ลองให้หมอซ่อมดูอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะว่าแต่ละจุดมันมีปัญหาแก้ปัญหายังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปงัดผ่าตัดรอบต่อไปเจ้าคะ่ะหนูก็เลย ม, มองตัวเองว่าอกเกิดมาดีนะเจ้าคะ่ะคือได้เห็นความทุกข์ของ ผู้คนป่วยแล้วก็ดูตัวเองด้วยก็คือเหมือนบุฟเฟ่ทุกเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือผ่าตัดตั้งแต่ขาถึงสมองนะคะต่อไปก็เป็นใบหน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยปฏิบัติต่อไปกับเพราะว่ามันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเพอใส่ท่อช่วยหายใจอะค่ะก็เลยได้เข้าใจคนไข้อะค่ะพระอาจารย์พอมีปัญหาจะเจ็บคออย่างเงี้ยคนไข้ก็ดึงท่อเราไม่เข้าใจว่าทําไมผู้ป่วยถึงดึงท่อช่วยหายใจ หนูมาเป็นเองหนูก็เลยได้รู้ว่าอ๋อก็เจ็บคอเหมือนกล้างติดคอแต่ว่าเจ็บมากกว่ากล้างติดคอคนป่วยก็เลยดึงท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะเรากลัวแต่ว่าออกซิเจนตกใช่ไหมคะแต่ว่าคนไข้แบบเจ็บเจ็บคือดึงท่อพอหนูมาโดนเองหนูก็ต้องเอาทำ ม, มาที่ปฏิบัติมาเนี่ยแหละคะ่ะก็แบบเราต้องอย่าดึงนะอย่าดึงเราต้องแบบสติสติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ก็เลยได้เอามาใช้ตอนที่ ผ่าสมองไปสี่รอบเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบหนูก็มองแบบเป็นบททดสอบนี่เหละเจ้าค่ะว่าอ๋อที่ทุกนี่คือเจ็บอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอ่ะแบบจต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าตอนที่หนูเป็นที่ผ่านมาคือกําลังมันน้อยมากอ่ะคะ่ะก็เลยต้องมาปฏิบัติต่ออ่ะคะ่ะเลยมาเจอพระอาจารย์แล้วพอหนูมาเจอพระอาจารย์อีกก่อนตอนหลังหนูผ่าสมองเสร็จหนูก็ฝันนะคะแต่พอมาฟังธรรมกับพระอาจารย์ ความฝันหูหายเลยหนูก็เลยบอกว่าอ๋อความฝันหนูหายไปแล้วเจ้าค่ะก็ลเลยไม่มีโพสต์ใน facebook เลยค่ะความฝันหนูก็เลยชอบเลยโอ้หนูก็เลยเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเอาความฝันมันมีหายไปด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพิจารย์ก็ปฏิบัติดีโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีแร้วคะ่ะโอเคถ้ า, า, าดูเฟซบุ๊กคุณนิงใช่ไหมคุณซามซงคุณนิงก็แบบ นามัสการค่ะพระอาจารย์ออยู่ที่ไหนชื่ออะไรจ๊ะโยมแจนค่ะโยมแจนจากอ่า พ, พิสเบิร์กเพนซิลเวเนียค่ะที่อเมริกาค่ ะ, ะพระอาจารย์เคยเข้ามาอยังยังไม่เคยค่ะพระอาจารย์เป็นครัง้งแรกที่เข้าม า, า, ามีอะไรไหมจิตที่โยมคิดอกุศล น, นี่คือการปรุงแต่งหรือเปล่าคะพระอาจารย์ใช่เป็ความคิดปรุงแต่งของจิตค่ะ เราจะสงบ ม, มันได้คือเราต้องเพียรพยายามปฏิบัติต่อไปใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สอนมันก็ได้ว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่าไปคิดแล้วก็พยายามใช้พุทโธพุทโธหยุดความคิดค่ะพุทโธคือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่ที่ที่ใช้พุทโธก็รู้สึกมันส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านใช้งานแล้วมันรู้สึกมันง่ายที่สุดพุทโธคําเดียวไม่ยุ่งยาก แต่โยมจะใช้วิธีอื่นก็ได้เราเลึกถึงความตายบ้างก็ได้เรื่อเราเลึกถึงอาการสารติสองของร่างกายก็ได้ค่ะหรือสวดมนต์สวดพระสูตรสวดอะไรก็ได้มันก็มันก็เป็นปวิธีหยุดความคิดได้เหมือนกันเนื่อง แ, แต่โยมจะถนัดหรพอใจจะใช้แบบไหนก็ใช้ได้ก็ อ, อยากปล่อให้ใจคิดเอามาเอามาให้มันคิดเรื่องที่ไม่เป็นพิดเป็นภัย คิดพุทโธ ท, <ม>ทโธไปมันก็จะไปคิดเรื่องอนัตตุสลไม่ได้คค่ะ่ะะอยู่ที่นันนานแล้วยังอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นสิบสิบกว่าปีแล้ว s Berg, <S ค่ะพระอาจารย์อืมอิสเบอร์ก์เซนเซเวเนียใช่ค่ะพระอาจารย์อืมค่ะคําถามมียมมีแค่นี้ละค่ะพระอาจารย์แล้วมีวัดไทยอยู่ไหมอยู่แถวบ้านมีไหมมีค่ะพระอาจารย์อ่ามีวัดไทยอยู่ก็ ใกลบ้านยมสุดก็สี่สิบห้านาทีค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่ที่ทางน้ําตกในแองกาล่าก็สามชั่วโมงค่ะพระอาจารย์อย้อนได้ไปอยู่เรื่อยๆได้ไปอยู่เรื่อยๆค่ะช่วงมาค่ะที่ผ่านมายมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดตรงในแองกาล่าค่ะพระอาจารย์เป็นวัดแบบไหนเป็นวัดป่าเนี่ยไ่อไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่วัดป่านะคะพระอาจารย์ยมอธิบายไม่ถูกค่ะแต่ว่า ก็คือมียังยังมีวัดอยู่ใกล้กลยมสักสองสองมีที่มีที่กให้เราปฏิบัติทำได้เลยที่วัดที่ในแองเกล่าจริงๆสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองวัดค่ะพระอาจารย์เขาก็มีมีที่นอนมีที่ไรับรองให้ผู้ปฏิบัตินะคะพระอาจารย์อยู่กันได้หลายคนเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์มีคนไปเยอะไหมรอบที่แล้วมีไปประมาณแปดเก้าคนค่ะพระอาจารย์ ที่อยู่ที่านคือเนี่ยน ะ, ะก็มีทางโยมจิ๊บทางดีซีแล้วก็มีโยมแล้วก็โยมทางผิดเบิกไปเยอะหน่อยค่ะพระอาจารย์แต่รวมกันแล้วได้แปดเก้าคนค่ะพระอาจารย์โยมจิ๊บเขาไปด้วยที่แมวแลนด์ใช่ไหมโยมจิ๊บใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เคยเปน็นคนแนะนำให้เข้าสูนะ่เหรอโยมไม่ทราบเหมือนกันนะคะเห็นเขาว่าเขาจะเข้าวันนี้อืมอใช่ค่ะ เขาเข้าเป็นคนแนะนําโยมให้เข้ามาห่ือเปล่านะโยมเข้ามาเองใช่โยมจิ๊บเป็นคนแนะนําให้โยมเข้ามาพบพระอาจารย์ค่ะอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์โยมจะปฏิเพียนปฏิบัติต่อไปค่ะอยพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยนะพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุค่ะไปที่บววินคุณอ้อม บ่วินชุนมลรีนามัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงความกลัวหายไปหรือยังก็น่าจะหายนะคะแต่ยังไม่ได้ไปทดสอบใหม่ไม่รู้ฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเข้าไปดูบ้างเข้าไปทดสอบบ้างค่ะเดี๋ยวต้องหาเวลาไปโอเคไม่มีอะไรนะค่ะเข้ามาฟังแล้วก็มากราบพระอาจารย์ค่ะโอเค นในการที่เป็นบริการ์ตนาที่ว่ากับนรัตการเจ้าแขกพระอาจารย์ก็กันเที่วันมาค่ะที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์ก็ได้ไปปฏิบัติมานะคะพระอาจารย์ก็ก็กนัง่งสมาธิแล้วก็มันเกิดความปิติขึ้นมาแต่ว่าก็มันตืนนะะ้อตี๋เลค่ะพระอาจารย์ ก็หายไปมันก็มันไม่ได้คงที่แต่ว่าจริงที่เกิดขึ้นก็คือก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้ปฏิบัติที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปที่สุขดินขอบพระค่ะก็ต้องทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่จะมันเข้ามันจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งด้วยว่าสาคัญเราต้องการความสงบมากกว่าปิติต้องการให้ใจนิง่งเยน็นสบาย ไม่วุ่นวายใจเบนูเบกขาไม่มีอารมณ์กับอะไรอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จากการนั่งสมาธิชวนปิตินี่บางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดก็ได้ไม่ไม่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปิตินี้ก็คออือยังยังไม่ใจเรายังไม่สงบเช่นท่านอาจารย คือยัาไม่ตั้งไว้วิเคราะห์มันแหะมันจะ้งบไหมสองมันจะเกิดก็เกิดเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปก็แล้วกันเราอย่างไปไม่ถึงจุดที่มันนิ่งมันยอดมไม่ันไม่สงบก็ได้แต่ว่ายอดมันสงบบางส่วนก็ได้ถ้ามันไม่สงบมันปิติมันเกิดขึ้นมาไม่ได้นะแต่มันอาจจะไม่สงบเต็มที่มันเริ่มเข้าสู่ความสงบก็อาจจะเกิดปิติขึ้นมาก่อนก็ได้ อย่าไปเสียเวลาอย่าป่เาาปเสียเวลาวิเคราะห์เลยให้เสียเวลาอยู่กับพุโทโธพุโทโธจะดีกว่า mm hmm. เพราะเวลาวิเคราะห์มันคินเนี่ยเราหยุดต้องการอยู่คิดแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเลยลก็คือมันถ้าโมแตะะ่เราไปวิเคราะห์อยู่ทําให้เราจะไม่มีเวลาที่จะมาฝึกพุโทโธพุพโทโธมันก็จะไม่เข้าไปมันก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้อ <c oughs> <c oughs> อย่าไปวิเคราะห์เลยใอยู่มนพุโทโธหยุดความคิดนี้ว่เจ้จาค่ะะาาก็ไม่มีคำถามแล้วพระอาจารย์โอเคสเคุณยยสวัสดีก า, าการนวัตกรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อเมื่อมาคะาบูชาค่ะหนูถือศีลแปดตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดะคะ่ะจนไปออกวันที่ยี่สิบสี่ค่ะ ทำตัวเหมือนอยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่ในห้องตัวเงนะคะ่ะก็ถือว่าใ น, ในผลดีไหมนะหนูว่าดีนะคะอาจารย์พระอาจารย์คําว่าดีของหนูหมายความว่าหนูเห็นหนูเห็นความหลอกล่อของสิ่งที่เขาพยายามหลอกล่ออะค่ะเช่นเหมือนเขารู้จะหลุหนูว่าหนูเป็นคนชอบวิเคราะห์ค่ะพระอาจารย์ก็จะทําให้หนูรู้สึกว่า จังหวะพูดโทไม่ดีนะมันจะมีคําติดออกมาค่ะจังหวะพูดโทไม่ดีนะเร็วไปแล้วนะช้าไปแล้วนะขาดตอนอีกแล้วหนูก็จะปล่อยป่อยไปก็ก็ไม่ได้ไปคิดตามค่ะเหมือนด้นหลอกๆให้คิดนะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตามค่ะอาจารย์แต่ก็ถ้าถ้าจะที่หนูบอกอาจารย์ว่าจะนั่งชกนั่งให้ได้อาทิตย์ละห้าชั่วโมงอะคะ่ะก็นั่งได้ไปห้าชั่วโมงสี่สิบนาทีทั้งอาทิตย์ที่ ที่บอกพระอาจารย์นะคะเราก็นั่งดีค่ะจนวันวันที่ดีที่สุดคือวันที่24ค่ะพระอาจารย์มามาะับอูชาแต่หนูไม่รู้ว่ามันโดนหลอกหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่นั่งนั่งอยู่จนถึงจุดนึงแล้วอะคะ่ะมันใจมันมันเริ่มฟ้องฟ้องมันเหมือนฟูฟูอะคะ่ะแล้วหนูนึกได้ว่ามันกำลังเหมือนจะดีใจอะคะ่ะแล้วหนูก็นึกได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าทาสมาธิเพื่อให้เกิดอุเบกขา หนูก็ได้ทำมันเป็นเฉยๆไปค่ะพระอาจารย์มันก็ยุบลงมาก็อยู่กับที่เดิมอะค่ะแล้วก็หนูตื่นเต้นคับพระอาจารย์พอดีมันมีเยอะมากที่อยากจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังหนูเรียบเรียงไม่ค่อยถูกมันรู้สึกรู้สึกว่าการการตั้งใจทําจริงๆเอาแค่พูดโทรอย่างเดียวก็ยากแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีอะไรเข้ามาให้เราให้เราดึงใจเราออกไปอะค่ะที่จะเล่าให้พระอาจารย์ฟังคือว่าทําไม หนูไม่ทราบนะคะแต่ทําไมเวลานั่งสมาธิดีๆคาว่าดีของหนูหมายความว่าหนูนั่งไปเรื่อยๆแล้วหนูปล่อยอะคะ่ะก่อนจะนั่งเนี่ยหนูตั้งใจปฏิบัติถวายเท พ, พุทธเจ้าพระสงฆ์แล้วก็ครูบาอาจารย์พระธรรมประสงค์แล้วก็ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ก็บอกกับตัวเองว่าทิ้งร่างกายเรานะแล้วก็ค่คอยๆปล่อยแล้วก็นั่งไปพอมันเจ็บก็แค่รู้ว่าเจ็บคันก็รู้ว่าคันแล้วมันก็หายไปเองคะ่ะอาจารย์ก็คือไม่ได้ไปอยากหรือไม่อยากให้มันมีหรือไม่มี ใจมันก็ดีค่ะทีนี้ก็จะมาแก้อีกเรื่องหนึ่งคือระหว่างพูดโทรไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรมาคอยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องคิดเช่นเสียงพูดโทรเป็นเสียงผู้ชายตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บางครั้งหนูรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งหนูก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้ววันแรกๆนะคะอาจารย์ประมาณวันที่สามนะคะก็จะเห็นทั้งสองฉากคือเห็นทั้งตัวเองกําลังควบคุมการพูดโทรอยู่ แล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่กาลังเข้ามาแล้วหนูก็จะดึงตัวเองกลับมาไว้กับคําว่าพุดโทนที่ตัวเองควบคุมได้ค่ะพอตัเองควบคําว่าควบคุมหมายความว่ามีสติอยู่กับคําว่าพุดโทนนั้นได้ค่ะอาจารย์แล้วก็ด้วยความที่หนูไม่ได้ไปไหนหนูก็เลยนั่งแบบไม่ตั้งนาฬิกาปลุกอะค่ะก็นั่งได้ดีได้ดีสําหรับหนูนะคะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าวันไหนนั่งไปสักชั่วโมงชั่วโมงกว่าค่ะนอนไม่หลับค่ะอาจารย์ ข้างในมันดิบดีอ่ะค่ะมันข้างในมันสดชื่นเหมือนเราดื่มกาแฟตอนเช้าอะค่ะพระอาจารย์แล้วหนูนอนแค่สี่ชั่วโมงนิดนิดเองนะคะแต่ร่างกายสดชื่นมากค่ะพาาระอาจารย์แล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยที่เคยเข้าใจว่าตัวเองอ่อนล้าอ่อนแรงเพราะไม่ได้ออกกําลังกายสี่วันที่ผ่านวันนั้นหนูก็ไม่ได้ออกกาลังกายคะ่ะก็นั่งสมาธิเฉยแต่ก็ทํางานได้นะคะพระอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องแปลกเรื่องที่หนูก็ไม่เคยเจอคือ พอหนูนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์มันทําให้พอใจมันเฉยมันก็ไม่ได้เฉยได้ตลอดเวลานะคะแต่ใจมันเฉยมากกว่าไม่เฉยก็มานั่งทํางานค่ะพระอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับหนูงานเนี้ยแต่พอหนูมานั่งทำอะคะ่ะหนูก็ทำไปเรื่อยโดยที่ไม่คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะทําได้หรือจะทําไม่ได้คิดแค่ว่าต้องทําก็ทําไปทําไปปรากฏมันทำได้เรื่อยค่ะพระอาจารย์ก็ได้เห็นเห็นว่าการทําสมาธิมัน มันมันดีจริงๆอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อ่พาพระอาจารย์ให้บอกว่าต้องเป็นครูของตัวเองให้ได้ด้วยหนูก็เลยเริ่มเริ่มฟังธรรมะพระอาจารย์จริงจังค่ะก็นั่งฟังพระอาจารย์แนะนําเรื่องอริยสัจสีไตรลักแล้วก็มังมิองแปกค่ะคุณดิศยาก็เลยบอกชื่อหนังสือมาเลยค่ะแล้วก็ส่ง PDF งให้ทันทีค่ะพระอ า, าจารย์ว่าอยู่ในหนังสือเล่มหนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็แล้วหลังจากวันที่24ค่ะพระอ า, าจารย์ วันที่สิบห้าก็ยังนั่งได้เดียวค่ะแต่หลังจากนั้นก็พอไปทํางานก็ยากเหมือนเดิมค่ะอาจารย์มันก็หลุดๆค่ะแล้ก็เหนื่อยแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปนั่งค่ะหลังจากกราฟายอาจารย์เสร็จค่ะหาเวลาวันที่เราไม่ต้องทางานมาปฏิบัติเช่นเสาร์อาทิตย์วันหยุดทํางานก็อย่าไปเที่ยวอย่าไปทําอะไรทางโลกเอามาทางให้กับการปฏิบัติอันนี้เราสามารถปฏิบัติที่บ้านได้แนละ้วไม่ต้องไปที่ไหนก็ได้ ค่ะพระอาจารย์ก็อย่างเรื่องฉีดยาเข้าตัวเองที่อาทิตย์ที่แล้วที่บอกพระอาจารย์นะคะวันนี้ก็ไปตรวจร่างกายมาคุณพยาบาลเขาก็เสียบเข็มมาที่แขนหนูแล้วหนูก็สงสัยทำไมแขนเข็มไม่นิ่งสักทีหนึง่งแต่หนูว่ามองให้ตัวเองเป็นตุ๊กตานะคะเห็นพระอาจารย์เคยสอนว่ามองให้เป็นตุ๊กตามันก็ไม่เจ็บแต่เขาอะ่ะเขาเข็มควานอยู่ที่แขนหนูว่าสักครึ่งนาทีะคะ่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาหา เส้เลือดไม่เจอ <S <s ans> <s ans> ใช่คะ่ะแล้วเขาก็เอานิ้วอะ่ะพระอาจาร์ตาหนูว่าขำตัวเองหนูจ้าหัวเล้อคือหนูว่าจะขำเขาว่าคือไม่ไหวก็เลยคนอื่นมาทําแต่เขาควานไปควานมาแล้วเขาก็เอานิ้วเหมือนจิ้มพอจิ้มเหมือนเหมือนจิ้มไล่เส้นนะคะพอได้เส้นปุ๊บแล้วเขาแทงลงไปมันเรารู้สึกได้ถึงการปุ๊บลงไปอะไรเ ง, งี้ยค่ะก็ไม่ไม่ได้โกรธเขาแต่เล่าให้แม่ฟังแม่โกรธแตบอกแม่ว <s ans> <t> ่าพระอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นตุ๊กตาดีเสยดูแลไปเฉยค่ะค่ะพระอาจารย์ ไห้ก่นแน่นอนไม่มีอารมณ์ถูกนะไม่รักชังกลัวหรอกนะใช้ๆไปค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวไปปฏิบัติต่อครัพระอาจารย์ทําอ่ำพุทธโทไปก่อนค่ะอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมะประกอบค่ะอ่าอาจารย์ขอบพระคุณสติสําคัญมากเบื้องต้นในงของเอาสติให้ได้เยอะๆค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอทานขันพระอาจารย์แข็งนรงเจ้าค่ะอ่าสาธุปี่แค้นซ์คุณยินดี สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้ลูกลืมว่าอาจารย์จะมาดีนะคะที่เดวิดเป็นคนเตือนคะ่ะอ๋อไม่เป็นเกี่ยวกับควาจ ด, ดีกับเรานะหนูทาำข้าวอยู่อ่ะคะ่ะแล้วยังว่าอยู่เดี๋ยวคือก็ปกติแบบจะรีบรีบรีบรีบแล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้รีบแล้วเขาบอกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์มานะดีหนูก็เลยโอ้ใช่ลืมเลยหนูก็เลยดีใจคะ่ะก็เลย อก็ไม่มีอะไรค่ะก็ฝากความคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็บอดน้องเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ฝากขอบคุณไปนะฝากขอบคุณไปด้วยอะนิดนึงค่ะท่านอาจารย์พอดีคุณหมอพิเชษต์นะคะที่ท่านที่ท่านจาอธิบายกับคุณหมอพิเชษต์นะค่ะอันนี้ยที่หนูเคยได้ยินคําว่าจิตจิตวิมุติมันมันมันใช่ไหมคะเอจิตดูพ้นจากปัญหาอะไรปัญหาอะไรต่าง เป็นทพนจากความสุขค่ะ ข, ขอพอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอพอบคุณท่านอาจาร ย, าย์อย่างสูงค่ะอ่าอ่าคุณหน่อยใชนิหมนี่ยังไรกล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าพระอาจารย์เจ้าค่ะที่หนไปใส่บาทแล้วบอกพระอาจารย์ว่าจะไปพิจารณาศพอเจ้าค่ะออสวยมากเลยเจ้าค่ะ ไ, <ด>ไม่ดูเป็นศพเลย ไม่ได้ไม่ไปดูศบที่มันไม่สวยเลยแต่พยอบานแต่งหน้าดีมากเลยเจ้าค่ะ<笑><笑>ก็เลยอืมไม่ได้ให้อะไรจากเจ้าค่ะทำไมนี้เขามีคนคอยไปแต่งศพมันใช่เจ้าค่ะสวยสวยมากเลยอย่งั้นตองไปดูเขาผ่าศพด้วยกันไปดูนักศึกษาที่เขาเรียนกายภาพ ดูอนาตมี่ของร่างกายมันจะพาอมาดูอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเจ้าค่ะถ้าอาจารย์เจ้าคะ่ะหน่อยอยากทําใจดูตรงที่แบบว่าหนอนชัยอะไรอย่างนี้ได้เจ้าคะ่ะแต่ว่าหน่อยดูไม่ได้หน่อยดูได้แค่ถ้าว่ากระโหลกกระดูกเดินได้อย่างเงี้ยหน่อยดูได้แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่แบบว่าเน่าเปื่อยแตบบอย่างนั้นยังดูไม่ได้เจ้าค่ะ คงจยหาดูยากเพาะส่วนใหญ่นี่ยมันจะไม่เขาไม่มีธรรมเนียมเอาศพไปเท่ไงในป่าให้มันเน่าเปื่อยแล้วสมัยนี้ไปได้ดูเหยี่ยวมากก็แค่ไปไปดูเขานักศึกษาก็ไปเรียนดูอาการต่างๆของร่างกายด้วยการผ่าศพออกมาดูเนี่ยเจ้าค่ะก็มีประมาณนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าลองไปที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วโรงพยาบาลตํำรวจเนี่ยไม่ขอก็าอยู่ ต้องมีขาสมทุกวันเรืเมื่อกีจไม่รู้ทุกวันหรือเปลเา็ิด ต, ต่อสอบถามได้ไหมอยากจะมาดูการชนะสุดสมได้อยากไปสั ก, กัลพัฒบรมสาลีลิกทาสอ่านี่คนเนีละเรื่องแล้วนน <c oughs> ด้วยจะคือพันีน้อยจะถามพระอาจารย์ว่าเราจะได้พลังแบบเอเหมือนเหมือนเวลาหน่อยไป กับพระอาจารย์ใส่บาตรพระอาจารย์แล้วหน่อยจะรู้สึกแบบว่าหน่อจะได้เย็นความเย็นพลังเย็นกลับมาเงี้ยเจ้าค่ะอ่ามันได้เดี๋ยวเดียวมันสู้ไปดูศพไม่ได้ถ้าดูศพนี่มันได้พลังแบบก้าหารไม่กลัวความตายนี่กลัวอ่าที่จริงอะ่ะหน่อยหน่อยกลัวหน่อยไม่กล้าดูตรงที่ว่าหนบอกพระอาจารย์ว่าอยากพิจารณาที่แบบหนอนชายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ กลัวใจตัวเองไม่กล้าดูมันไม่มีให้ดู่เลยวะไม่ต้องไปงกังวนแล้ ว, วนถ้าถ้าเกิดว่ามีเจอในแบบ Facebook อะไรขึ้นาหม่เงี้ยไหนอขอูขอบายหน่อยได้ไหมคะอ๋ะอเฟซ o o ๊เขาแบนหมดเขาไม่ให้ผมภาพไม่มู<อ>ไม่ให้อะไรเลยตอนนี้ก็ไม่รู้นี่เขาไม่ไม่ให้มใีภาพที่ที่น่าเกลียดน่ากลัวผมขึ้นมา ในดูรองเท้านะขึ้นแต่รองเท้าพระอาจารย์ ม, มีแต่รองเท้าแล้วเนี่ยวันโกนวันพาเนี่ยขึ้นแต่ทุเรียนอาจารย์ที่ไม่ใช่ไม่ใช่วันโกนวันพาวันที่หน่อยถือศีลนะคะขึ้นแต่ทุเรียนกับของกินอืทำไมรู้หน่อยไม่เข้าใจตรงนี้่หละโอเคนะมีะอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทักขันแข็งแรงนะเจ้าคา่ะอยู่กับ ไปสักร <si> อย okay, uh, ี่สิบไดมเจ้าค่ะสองพันีได้ไไงดีไหมดีปีนี้ก็สองพันนะเจ้าค่ะโอเคสาธุไอ้เจ๊ฝนโพีเคู้เกตน้ำกล่บวรำมรัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมเจ้าค่ะไ่าได้ยินจ้าวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะ อาจจอยู่พุทอยู่ที่ภูเก็ตแล้อยังยังอยู่ระยองยังเจ้าค่ะพอาจารย์อยู่ที่ระยองอยู่เจ้าค่ะเดี๋ยววันศุกร์จะกลับไปที่กรุงเทพก่อนเจ้าค่ะแต่ว่าจะแวะไปใส่บาทท่านพอาจารย์ก่อนกลับกรุงเทพเจ้าค่ะโอเคไปกรุงเทพเพราะว่าต้องไปซื้อของเจ้าค่ะนักพอาจารย์ซื้อของไปขายอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอืมแล้วเจ้าการพุทธคาขอพระาจารย้ให้ขัดแข็งแรงเจ้าค่ะอุณนิสาเอลเอลัสแองเจ หายไปหลายอาทิตย์นะเก่านามัสการค่ะพระอาจารย์หายไปสี่อาทิตรรออย์รึเปล่าคะพระอาจารย์อ๋อกับไทยค่ะพระอาจารย์อ๋อกับน้งไทยเนี่ยค่ะพระอาจารย์มีแบบมีธุระก็ไม่ดน่วนนะคะแต่ว่าก็พอดีพี่ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทุกขลาบทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พอดีมันมีเรื่องค่ะก็แต่ครั้งนี้ลุกกลับไปพร้อมกับ พุโทโธนะคะพระอาจารย์กลับไปพร้อมกับสติค่ะอืก็ดีค่ะพระอาจารย์แต่ก็มีหลงไปบ้างค่ะแต่ว่าแต่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์สมัยก่อนที่แบบกลับนี่ไปพร้อมกับความหลงมากๆากะค่ะสมัยก่อนคือเหมือนกับแต่ก่อนทํางานใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยก็ต้องคิดว่าต้องกลับเมืองไทยไปชาร์จแบบอะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยค่ะมีความรู้สึกว่า กลับไปแล้วแบตมันเสื่อมค่ะพระอาจารย์ลูกกลับมาลูกกลับมาปฏิบัติเข้มแบบหนักเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือเป็นการเติมแบตให้ลูกมากกว่าค่ะพระอาจารย์อค่ะพระอาจารย์ก็เหนื่อยค่ะตอนนี้กลับมาทำไงไปกันเลกลับมาแล้วค่ะกลับมาอาทิตย์ที่แล้วค่ะอากลับไปก็เหนื่อยค่ะพระอาจารย์เดินทางมันกต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ มันไปหลายที่แล้วก็ไปเจอคนไปเจอคนเยอะอะค่ะค่ะอาจารย์ก็ก็ก็มีหลงไปบางค่ะพระอาจารย์ก็ไปเขาลากไปก็ไปอ่ะค่ะค่ะอาจารย์แต่มันจะไม็ไป้อกไปมันจะเป็ไปนอกไปแต่ว่าไม่ได้ไปเจอเพื่อนเลยนะคะปกตินี่ไม่พลาดค่ะแต่ว่าคราวนี้ก็อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ครอบครัวนี่ก็หมดเวลาไปเยอะแล้วค่ะอาจารย์ไปหลายที่ค่ะพระศรี กับค่ะกลับมาลักค่ะมันไม่สนุกเหมือนกับการปฏิบัติธรรมไม่อะไม่ค่ะรู้สึกแบบมีความรู้สึกว่ามันมันทําให้เราบางทีมันรู้แต่มันก็ดีดีอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์เหมือนกับได้เห็นกิเลสอะค่ะพระอาจารย์อว่าแบบเออแบบมันเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีเราก็เราก็สู้มันได้แต่บางทีเราก็สู้มันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อย่างน้อยอนนี้ม การศึกษาตัวเราเป็นไทยค่ะพระอาจารย์แต่ครั้งนี้ลูกลูกแบบไปพร้อมกับพุทโธดีเหมือนกันนะคะพระอาจารย์คือคือคือแต่ละวันตอนปกติลูกจะนั่งสมาธิเชา้ากลางวันบ้างแล้วก็ตอนเย็นแต่ว่าพอไปกลับไปนี่คือมีเวลาน้อยมากค่ะคือแค่ช่วงเชา้ามันเหมือนมันไม่ไม่ชินกับสถานที่อะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไปอยู่บ้านพี่สาวบ้างไปบ้านแฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่ก็แต่ก็ก็กลับตกแบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบพยายามพยายามฝึกให้นั่งสมาธิไม่ให้ใช้พุทโธในระหว่างวันนะคะพระอาจารย์เวลาอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้กลับมาชาร์จแบตแล้วค่ะพระอาจารย์ดี่ทบต่อไปอดีตผ่านไปแล้ว อ, อ, อยู่ในปัจจุบันค่ะพระอาจารย์ อนาคตไม่ไยังมาไ ม, ไม่ถึงไม่ต้องกังวลถึง า, า, า, าคตอดีตให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันให้มีสติดูอยู่ตลอดเวลาหยุดความคิดครูแต่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะพระอาจารย์ก็มันก็ที่ไป <c oughs> ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่ามันก็มีเรื่องเยอะเข้ามาค่ะพระอาจารย์แต่ก็แก้ไปแก้ไปได้เรื่อยค่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกธรรมสี่ะค่ะพระอาจารย์แพวก รายเยอะเสือกเสนะใช่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ลูกก็ปล่อยวางป่อยวางเยอะมากๆค่ะได้ไปก็ไปไม่ได้กครอยากจะได้ใช่ค่ะค่ะมันปัญหามันก็เป็นพวกเรื่องทรัพย์สินอะไรทั้งหลาย mm hmm. มันรู้สึกวุ่นวายมากเลยค่ะ mm hmm. คือกลับกลับมาที่ที่นี่ก็ยังมีปัญหาก็คืออย่างที่ลูกเคยเรียนพระอาจารย์ว่าลูกก็รอที่จะขายบ้านก็ มันก็คือจริงๆใจลูกอะจะขายอยู่แล้วแต่ว่าคือว่ามันไม่ใช่ชื่อลูกคนเดียวมันเป็นของแฟนลูกด้วยเขาเขาต้องการที่จะลิสต์คือกลางปีนี่เขาต้องการรอรอดอกเบี้ยลดอะค่ะลูกก็ไม่อยากแบบไม่อยากจะมีปัญหาเขาอะค่ะก็เลยแบบยังไงก็ได้อยินดีตามให้ตามเกิดนั่นได้ค่ะคระอาจารย์อย่าไปท<า><า>ุกข์กับมันอย่างไปขาพระอ า, าจารย์อย่าง อย่างกลับไปเนี่ยก็จะไปดูว่าแบบจะไปอยู่ที่ไหนรู้สึกแบบมันมนันวุ่นวายมากค่ะพรอาจารย์คือแบบจะไปอยู่ตรงเขาอยากแฟนเขาอยากจะอยู่มันมีที่อยู่ที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยก็มันก็ดีค่ะคือมันเป็นแบบมันมีศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ว่ามันก็ต้องสร้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะรู้ว่ามันก็ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยคือแต่สุดท้ายลูกก็แบบแล้วแต่แฟนนะคะคือขบแล้วแต่ เอาอยัางไงก็ได้คือไม่อยากแบบไม่อยากจะแบบวุ่นวาย่ะเอาอยัางไงก็ได้แบบเอาแบบที่แบบไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินเยอะเก็บเงินไว้ดีกว่าเนี่ยค่ะอาจารย์อือีอนักน้อยสันโดดมีไหมนะค่ะท่องไว้ตป็นเสมอค่ะพระอาจารย์มักน้อยสันโดดแล้วก็เอยอมหยุดเย็นนะคะพระอาจารย์ไม่ไม่อยากมีปัญหาพระอาจารย์ทอมีปัญหาเราก็เราก็ทุกเองอะค่ะพระอาจารย์ออ <Okay. S 2> ไม่มีอะไรค่ะพระ <S <S อาจารย์กินรู้สึกค่ะดีใจมากค่ะที่กลับมาห้องเหมือนเดิมค่ะรู้สึกแบบต้องการพลังต้องการชาร์จแบตค่ะพระอาจารย์ยามปฏิบัติารรมเราไปได้แค่ค่ะพระอาจารย์น้อมนำปฏิ<ข>บัติาตาชาส่วนเรื่องก็ปล่ยมันเป็นไปตามตามบุญตามกรรมตามตามเหตุตามปัจจัยอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะพระอาจารย์ ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะอยู่ไปสักสองร้อยปีค่ะพระอาจารย์ค่ะอ่าคุณแนนอยาคขอให้เราอยู่สักกี่ปีดีแนนสามสิมาพระอาจารย์สามร้อยดีไหมสามร้อยแล้สี่ร้อยค่ะสบายดีนะโอเคสบายดีเจ้าค่ะกอบขอบพระคุณพระอาจารย์ม่เจ้ค่ะโอเค คุณแนะคุณได้กับคุณต้าใช่ไหมเชิญชวนบุเรียนนนมำสกัดน้ำนจาตักครับวันนี้ไม่มีคําถามครับมาร่วมฟังธรรมกับทุ่ากรับโอเคยินดียินดีได้พบกันได้เห็นหน้ากันฟังฟังไปปฏิบัติไปนะปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์โอเคสาธอาจา ไปที่เป็นมาลีต่อมาลีม่มอยู่บนเขาได้กี่วันนะมาวันเสาร์อาทิตย์แล้วกักล่าววันจันทร์ที่ไปกล่าวหลวงพ่อค่ะสาวันสาร์อาทิตย์สองคืนสองคืนสองคืนแล้วจากตอนเช้าที่ไหนกล่าบหลวงพ่อเป็นยังไงดีัหยดีมากก็การปฏิวัติของหนูอ่ะ มันเวลาเข้าไปถึงสมาธิลึกๆอ่ะค่ะหลวงพ่อกายมันจะเหมือนก้อนหินมันจะเหมือนมันแยกกันคนละส่วนอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็สติอมันจะไม่ออกไปข้างนอกมันจะอยู่ในนั้นแล้วก็จิตมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะหลวงพ่อมันมันไม่มีอหนูควานดูแล้วมันไม่มีอะไรมันมันว่าเหมือนว่าใช่ใค่ะหลวงพ่อ แล้วมันก็พอพอมันอยู่เข้าล็อกตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันอยู่เหมือนแบบแป๊บเดียวแต่จริงมันหลายชั่วโมองอย่างงี้ค่ะหลวงพ่อมันนานแล้วแล้วพอหนูออกมาคราวนี้ยหนูหนูได้เห็นได้เห็นโพษของการที่เกิดนะคะหลวงพอ่อแล้วก็ได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าคือที่หนูพักอยู่เรือนห้าค่ะหนูเห็น เห็นลิงอ่ะมันมากันเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมันจะท้อนถึงว่าเขาไม่มีอะไรกินแล้วถ้าเราต้องไปเกิดเป็นแบบนั้นนะคะหพ่อมันเขาสร้างบาปอยู่ตลอดเลยะเพราะว่าเขา ก, กดอยากมากแล้วหนูก็ย้อนมาถึงว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้ยังมีโอกาสที่ดีกว่าเขานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วมันมันซึ้นตรงที่ว่าท่านที่พยายาม สอนให้เราให้หลุดให้พ้นให้หันมาจากมามาปฏิบัติทําอย่างเนี้นค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอหนูกลับเข้ามาปฏิบัติต่อเนี่ยมันมีแรงแต่น้ําตามันไหลค่ะเพราะมันไม่ได้เสียใจหรืออะไรนะคะมันมันตึงอยู่ข้างในใจแล้วมันก็มีกําลังในการที่ปฏิบัติหนูก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าพอปฏิบัติเข้าไปถึงสมาธิลึกๆตรงนี้นค่ะหลวงพ่อมัน มันมันเหมือนมีแรงแล้วถ้าทำให้เราเนี่ยลดละวางไอ้พวกกิเลสอะไรทั้งหลายทั้งโปนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วแต่ว่ามันจะต้องวางด้วยสติด้วยด้วยด้วยปัญญาใะ่ไหมคะหลวงพ่อแล้วแล้วเราจะมองมาถึงตัวตัวเราชา้าถ้าเราเข้าใจถึงเออ สังขารของเราที่เราเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างหนูเข้าใจว่ามันจะทําให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ได้หมดอย่างเนี้หนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะหลวงพ่อมันก็ต้องพิจารณาแต่ละเรื่องไปเรื่องราบร<ะ>ุษเสริสุขก่อนของภายนอกก่อน<ะ>คนคนคนต่างๆร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นมันต้องปล่อยเป็นเมล์เมล์ไป มใ่มันจะนนมันจะปล่อยทุกอย่างมันมันเหมือนข้าข้าจิตแต่มันเข้าใจหนูเข้าใจเองครัว่าข้าจิตเนีมันเข้าใจถึงความเป็นจริงที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพ อ, พอเราไปมองสิ่งอื่นหรือว่าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูหนูเข้าใจว่ามันน่าจะวางได้ทําใจได้มากขึ้นอ่ามันนี่ก็ยังเป็นความคิดอยู่ถ้ามันวางได้มันก็ต้องไม่ไม่ต้องมาถามเราแล้วในชะ่ไหม คือหนูหนูเข้าเข้าใจเองว่ามันมันเป็นแนวทางแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องเไปพิสูจน์ดูเลยต้องเอาไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นไปตามที่หนูคิดหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อแล้วพอหนูกลับมาเข้ามามาปฏิบัติอีกอ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมันถึงเวลามันเสือนให้หนูเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันมันทําโดยอัตโนมัติโดยที่นั่งแล้วมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อย มันอย่างหนูนั่งสมมติประมาณสามทุ่เนี้ยไปเลิกเกอบเพียงคืนอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันสติกับเรื่องอะไรมันมีกําลังอยู่อยู่ในเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเข้าไปสงบหนูอธิบายนี่อยู่ก่อมันมันขยับขึ้นกว่าเดิมอะค่ะหลวงพ่อดีก็ดีแสดงว่าเราเพ้นเราก้าวหน้าในการปฏิบัติทางด้านสติสมาธิส่วนทางด้านปัญญาเราต้องไปพิสูจน์ทำข้อสอบหรืออย่งไรหรกว่า ผ่านหรืไม่ผ่านมาปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้หรือเปล่าลาภนรสละเสริญสมได้หรือเปล่าอืมปล่อยวางร่างกายของทุกคนได้หรือเปล่าทั้งเราทั้งของร่างกายคนอื่นแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดมมแล้วสิ่งแรกที่หนูควรเรื่องการปล่อยวางเนี่ยหนูควรจะเริ่มที่ร่างกายหรือว่าทุกทุกเรื่องรอบตัวด้วย ก็ได้ทุกเรื่องถ้าเราเราไปแบบอันไหนเราก็ต้องปล่อยนนั้นแหละถ้าเราไม่แบบก็ไม่ต้องปล่อยถ้าอันไหนที่มันทุกข์เผชิญหน้าอันดับแรกหนูก็ต้องจัดการอันนั้นก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ปัญหาอไหนมันมาก่อนก็ก็จัดการกัมันไปแล้วมันจะมันจะสิ้นสุดยังไงคะหนูถ้าหนูหนูไม่ปล่อยทุกอย่างหมดไม่ทุกข์กับอะไรแล้วก็มันก็หมด ไม่ท through ุกกับลูกไม่ทุกกับสาไม่ไม่ทุกกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ทุกกับร่างกายของเราไม่ทุกกับความเจ็บของเราไม่ทุกกับจิตใจของเราเข้าใจแล้วเข้าใจไหมพิจารณาทุกอย่างเป็นตายลักหมดแล้วก็ดูว่ามันปล่อยวางได้ยจริงหรือเปล่าการพิจารณาอย่นี้มัน ยังเป็นเหมือนกับถ้าเรายังไม่เจอเหตุการณ์จริงเราก็ยังไม่รู้ว่าปล่อยได้หแรบบือเปล่องราดูเวลาเกิดใครเข้ามาเอาข้าวสองเันทองเราไปหมดนี่เราจะเดือดร้อนใจไหมใจเัาเฉยๆเราไม่ใช่ของเราเป็นของชัว่วคราวจะเรนินได้เสื่อมได้ตำแหน่งต่างๆมันดีเงินดีก็อาจจะกดเราออกจากตำแหน่งนะั่นงนก็งานก็อาจจะถูกได้ออกก็ได้ บริษัทมันจะปิดขึ้นมาก็ได้มันมันก็น่าจะยากขึ้นค่ะหลวงพ่อใช่ยากหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าของจริงที่เราจะโดนหนักๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปลองวัดกันใช่ไหมคะหลวงพ่อว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านก็เราก็ต้องถามด้วยว่าเราถ้าไม่เราตกงานเราอยู่ได้ไหมอืม เราก็ลองถามด้วยเองแล้วที่เราไปอยู่คนเดียวนี่แล้วก็อยู่ไม่ไม่มีงานทำํำเราก็อยู่ได้เนี่ยเราก็ภาวนาขงเราไปอยู่กับการภาวนาไป อ, อย่างนี้หนูคิดว่าหนูอยู่ได้ไมันทุกไม่เหลือนอนากับการเสือ่อมการดับของสิ่ ง, งตา่างๆใายจะดับใครจะตายกับเรื่องของเขาไปคือไม่แต่ร่างการกเราจะเสือ่อมมันจะดับก็ต้องก็ป่ายมันไป ไม่ทุกไม่กังวลกับมันตอนเนี้หนูหนูแทบไม่มีเวลาเลยขนมพ่อคือส่วนใหญ่หนูก็จะวิ่งปฏิบัติถ้าไม่ได้ทํางานเลี้ยงอาชีพหนูก็วิ่งปฏิบัติอย่างเดียวค่ะตอนเนี้ยเวลาหนูไม่ได้มีไปที่อื่นแล้วค่ะก็ทํำไปทําไปเรื่อยๆเป้าหมายคืออย่าไปทุกกับอะไรเวลาสิ่งนั้นด่เราไปหนูจะ จำที่หลวงพ่อสอนหนูไว้ค่ะโอเคนะขอบพระคุณค่ะอ่าดูไปที่รักเสมอคุณปุย้ยถาบนรรสการ์ค่ะพระอาจารย์งงวันวันนี้สบายดีค่ะคุณปุ้ยไม่มีอะไรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ yeah. ตแต่ว่า ป ฏ, ปฏิบัติได้เยอะกว่าอาทิตย์ก่อน เ, นเพราะว่าไม่ไม่ได้รงเรียนแล้วแล้วก็ใช้เวลาสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเป็นอะไรไม่รู้ชอบปวดหัวอาจารย์ยมยมเวลาแบบมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วปวดหัวนะแบบว่าอยู่ๆ ย, ยมก็ปวดหัวแล้วแบบถ้าเกิดยมก่อนนอนถ้ายมเนะ่ยไม่ ไม่บอกพระพุทธเจ้าให้ให้ปลุกโยมตื่นเนี่ยคือโยมมันเหมือนกับว่าจะนอนไม่ตื่นน่ะเหมือนกับมีอะไรมาทับตัวโยมอะ่ะอ่าฮะแต่ก่อนนอนเนี่ยโยมเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติของโยมนะก่อนนอนเนี่ยโยมจะนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ฟังฟังยูทูพระอาจารย์หนึ่งชั่วโมงแล้วยมโยมก็ถึงจะนอนอ่า uh huh. โ ย, ยมไม่รู้ว่าโยมเป็นอะไรทำไมถึงชอบปวดหัวจังแต่เวลายมนั่งสมาธิอะมันจะนิ่งอาจารย์ร่างกายแลนจจามันไม่เทียงก็ปวดบ้างไม่ปวดบ้างรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปใช่ไใช่ค่ะเ อ, อ่อตอนแรกโยมก็คิดว่าเอ๊หรือหรือว่าเราจะเป็นเพราะว่าอากาศห หรือว่าจะเป็นเพราะว่าพวกเชื้อไวรัสเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีการปกป้องป้องกันอะไรมันเหมือนกับว่าเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วโควิดน่ะพระาจารย์เออืก็เลยเราก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยายามคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมันเป็นอะไรก็หันอยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปก็แล้วกัน โยมก็ปฏิบัติวันวนะวันมาคาบูชากับวันอะไรนะวันอาทิตย์นะฮะโยมไม่ได้ไปไหนเลยโยมโยมนั่งือสินแปรไว้แต่งหน้าไว้อะไรเลยไม่ออกนอกบ้านนั่งสมาธิแบบนั่งเดี๋ยวพอนั่งกับอาจารย์เสร็จแล้วนั่งก็นั่งต่อนั่งต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ไปไหนเลยเ อ, อทําให้ามากๆ ย, ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งนดะี้ะใช่เพราะว่ามันรู้สึกดีอาจารย์มันรู้สึกแบบสดชื่น นล้ว <ừ. S 1> เราเหมือนกับว่าเราถ้าเราออกไปแล้วคุณเรากินไม่เหมือนชาวบ้านด้วยเรากินเจเราเรากินมือเดียวแล้วชาวบ้านเขากินเนื้อสัตว์กันเราเหมือ น, กนแกะดํา <ừ. S 1> อ่ะอืา <ừ. S 1> เราก็เลยแบบว่านล้วเราช็ ม, ม, ม, ม, มัมมม น, นมันมันเวลามันสวดมนต์ไหว้พระมาอย่างนี้แล้วมันมันรู้สึกเราเหมือนมีโรคส่วนตัวของเราไงเราก็ไม่รู้อ่ะแบบเลกไม่รู้จะคุยอะไรด้วยไงอืม <ừ. S 1> okay. ดีค่ะโอเคไม่ีอะไรไหม ไม่มีเขาจะมากราบขอบ พ, พระคุณพระอาจารย์มาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะ <layered. S 2> ขอให้พระอาจารย์ธ<ร>าตุขันแข็งแรงนะคะนะโมท้าาสาธุพระคุณพุวยมีความสุขความเจริญให้ร่ำให้รวยไปมีงินใช้ตลอดชีวิตนะสาชูน้อมรับพรค่ะ <Okay. S 2> สาธุค่ะขอนนให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงค่ะออันนี้คุณแต้มตอคุณแปมแปมใช่ไหม อ่าชื่อถึงว่าแบบนตัวเล็กยังไม่ได้เปิดใบเลยเปิดใบ่ใ<น>าได้เลยนะพูดได้เลยวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะวันนี้ลูกมาน้อมอฟังธรรมเจ้าค่ะชื่อแปมเหรอใช่ไหมแปมค่ะอ่ า, อานว่ า, าแปมอ ย, อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่พัทยาเจ้าค่ะอยู่พัทยาทนี่เคยมาวาดัด มาไปเกือบทุกอาทิตย์เจ้าค่ะโอเคดีอ่าทุกวันกจังหน้าได้ลน ะ, ะค่ะลูกลูกถือศีลแปดได้สองวันพระแล้วค่ะจะตั้งใจให้ได้ศีลแปดทุกวันพระเจ้าค่ะอ่าดีมากแล้วก น, นั่งสมาธิไปด้วยนะปฏิบัติทํามไาวพราส่วนมนว์นั่งสมาธิไปเจ้าค่ะความเทศทําธรรม นี่คกิจวัตรใ น, นวันพระนะควรณธรรมเจ้าค่ะโอเคอ่า okay. นึ่งน้อมกราบขอบพระคุ ณ, คคคณนน เ, รเรณาจาณเ้าค่ะอ่ะสุภัทนาบ่อเวนชนเมรีพระอาจารย์หรือกลับนัวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อแม่โยแม่ฝากเอ่อมาขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่า ก่อนนั่งสมาธิต้องสมาทานกรรมฐานหรือเปล่าอ่ะเจ้าค่ะไม่ตั้งหรอกก็พุโทโธไปเลยไม่ต้องไปสมาทานอะไรกัใครนี่เองเจ้าค่ะพอดีแม่เขาสวดมนต์ทุกเช้าเย็นเจ้าค่ะอาจารย์<อ>ักออวันหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่ากว่าอทำไเลยไม่ต้องมีพิธีมีตอวนะเจ้าค่ะจะไปจะไปตอเป็นกําลังใจให้แม่ปฏิบัติเจ้าค่ะแม่เขาเอตอนนี้อายุแปดสิบสองแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ ดีุ่ณแม่ปฏิบัติหน้าก็จะเป็นเป็นบุญเป็ น, ปนกุศลกับคุณแม่แม่จะได้สงบไม่พดไม่ไม่เดือดร้อนนะคะพอดีออพระอาจารย์ก็จะจะสอนประจําว่าไม่ให้ไปสอนแม่ในเรื่องอยากอยากจะทําอะไรนี่อย่าไปบังคับแต่โยมก็ใช้วิธีว่ามาเล่าให้แม่ฟังนะว่าพระอาจารย์ไปเรียนธรรมะพระอาจารย์มาได้ยังไงบ้างแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟัง บอกว่าแม่บอกว่าว่ า, วาออยไม่ได้สอนแม่นะแม่ก็บอกเออไม่สอนไม่สอนก็เล่าให้ฟังทีงนี้เวลามีอะไรก็จะไปเล่าให้ฟังอย่างนี้เจ้าคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกก็จะดีใจว่าแม่มาถามเรื่องกรรมฐานอันนี้ก็ก็เป็นบุญของแม่อย่างที่โยมอย่างที่พระอาจารย์เทศเลยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวโยมจะไปบอกแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้เขาปฏิบัติเจ้าค่ะพระอาจารย์อดีจ้ะดีแล้วคะ่ะ แบ่งความรู้ให้กันได้ถ้าก็ยินดีรับฟังก็พูดได้แต่จะไปบอกแม่ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้หมายความนี่ไม่สอนหมายถึงว่าแม่ต้องทําอย่างนั้นแม่ต้องทำอย่างแบบนี้น แ, ตนนแต่ถ้าพูดว่าวันนี้ไปทําอะไรมาเล่าให้แม่ฟังอย่างนี้อันนี้ไม่ได้สอนเป็นการแบ่งแบ่งข้อมูลให้ให้ให้กันเจ้าค่ะ ก็มีบ้างเนาะค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้ให้แม่อย่าลืมพูดโทนะอย่างที่พระอาจารย์กำชับกับลูกศิษย์ทุกท่านนะะว่าอย่าลืมพูดโทให้พูดโทให้พูดโทอย่างนี้เ้าค่ะพระจพเจอาก็ไปบอกไม่ ไ, ม ไ, มได้ไม่ไ <c oughs> ด้งม่ไดนะ้เดี๋ยวเขาจรคาญเรเดี๋ยวาจะําทาเราอย่าไม่บอกอย่าไม่สั่งกนะ็ เจ้าค่ะพอพอเห็นแม่ทําอย่างนี้โยมก็มีกําลังใจที่ที่ตัวเองจะทําได้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่าไปกดดันแม่เขาแล้วกันนะเจ้าค่ะโยมก็ปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เออเข้ามากราบแล้วก็มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุเจ้าคุณสภาชาตินี่ใช่ไหมคุณสุภาชาตินัสุภาชาติ พระอาจารย์ครับสุภเชษครับเอครับผมครับมีอะไรไหมอ่อไม่มีครับผมเข้ามากราบพระอาจารย์ครับเสาอาทิตที่ผ่านมาก็เข้าไปกราบแล้วก็ไปตักบาตรด้วยครับพระอาจารย์มานากที่ไหนกรุงเทพครับผมบลรีมย์ครับผมโอเคครับไม่ไม่ยอมถามเลยนะครับผมก็ยังตั้งใจปฏิบัติเหมือนเดิมครับผมแล้วยิ่งรู้ว่าเอ่ออะไรนะเหมือนเวลาเราเหลือน้อยทุกทีทุกทีเราก็จะพยายามเร่งปฏิบัติครับพระอาจารย์หนึ่งสามซึ่งจะ ครับค <icana>, ุณพัท <Job> ลาพรบัวสุที่ประเทศสเปนคุณเลียวลูกชายกับอามาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นยังไงเป็นยังไงน้มาเย็นน้มายนแครับนก็มาบ้านหนอาทิตย์ครับ หลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าวันมาค่ะบูชาลูกก็ก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอ่าแล้วก็เหมือนปฏิปฏนนแบบัติทั้งวันยืนเดินนอนนั่งแบบทั้งวันอ่าแล้วก็พอพอเช้าอีกวันเหมือนแบบอ่าเวทนามาหนักเลยเจ้าค่ะพอแบบตื่นเช้ามาแบบคือปวดกระดูกด้วยความที่ลูก มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมใช่ไหมจ๊ะคะคือแบบมันมันแบบคือจะลุกไม่ได้แต่ลุกก็สู้แล้วก็ลุกมาถึงเวลาก็นั่งฟังทางหลวงพ่อแล้วก็คือแล้พอนั่งแล้วแบบไม่ไหวลูกก็แบบก็เลยเปลี่ยนมานั่งเก้าอี้พอเปลี่ยนมานั่งเก้าอี้แล้วแบบคือปวดมากอะปวดปวดจนน้ําตาไหลแต่แบบลูกก็ไม่ยอมแพ้ไม่ไม่ยอมแพ้ลูกก็พยายามสู้ก็ อ่านึกถึงคําที่พรอแม่ครูบาอาจารย์แบบนิพพานอยู่เหนือฟ้าความตายลูกก็นั่งนั่งจนนั่งจนเข้าไปข้างในให้ให้หายปวดอาจารย์ค่ะหลวงพอ่เอเช้าค่ะก็ดีทดําได้ก็ทากําไปเจ้าค่ะหลวงพอ่อเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ก็สู้กับเวทนาเช้าวันนี้ก็เหมือนกันพอนั่งฟังธรรมหลวงพอ่อก็จะแบบคือปวดนั่งแล้วเราปวดลูกก็จะ ก็จะพยายามนั่งนั่งให้เข้าไปเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็จนวางวางจนแบบไม่รู้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดนะเจ้าค่ะได้ได้อันดีเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยอุ่นต่อไปช่วยอุ่นดอไปเจ้าค่ะหลวงพ่อเลวมีอะไรไหมเลวไม่เงียบค่ะเข้ามาฟังครั เอาทันทก่อนนะขอบขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อขอบหลวงพ่อมีทาดุขันแข็งแรงอยู่สองพันปีนะเจ้าค่ะสาธุนจนาค่ะอยู่ให้หมดฟุตศาสนาเลยห้าพันปีเลยสาธุเจ้าค่ะสาธุจค่ะอะไวที่คุณลูกตาลชนบรีคุณลูกตาล นักการได้ยินไหมพ้ดได้เลน้มาสการค่ะพอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมไม่มีค่ะวันนี้เข้ามาฟังธรรมแล้วก็เข้ามากลับอาจารย์ค่ะโอเคเองั้นก็ไปที่คุณครับต่อเลยน ะ, ค ร, นะรครับน้มาสการครับเป็นยังไงลดน้ําหนักได้บ่ะงลด ไมยุบไม่ไ ม, ไ ม, ไมียุบไม่พองครับําลังทรงตัวครับทรงทรงไลยไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหลังนะดีขึ้นครับอืดีขึ้นมันต้องลนลงเสถิถ้ามันถ้ามันทรงตัวมันจะไปดีขึ้นได้งไงก็ ก, ก็ตอนแรกพองๆรุบๆครับตอนนี้ทรงตัวแล้วถือว่าดีขึ้นอ่า <c oughs> <c oughs> ก็บางที เมื่อกี้พูดถึงอายุข้าจาร์ก็พิจารณาว่าแบบเอเขาก็บอกว่าอธาตุขันเป็นของหนักเนอบุคคลเนอร์แบกของหนักพาไปเนี่ยบางทีถ้าถ้าเราแบกของหนักเนี่ยอาจจะเป็นภาระใช่ไหมครับคุณเจ้าบอกขันห้าเป็นภาระหนักอย่างนี้ภาระฮเวยันจากขันดาแต่ว่าถ้าถ้าเรามีธาตุขันก็ใช้ทําประโยชน์ให้ถึงที่สุดใช่ไหมครับ ทำเท่าที่มันใช้ทำได้มันรถอะรถยังขับได้ก็ขับไปถ้ามันพังก็ขับไม่ได้ก็ต้องโยนเข้าเชียงกลงเลครับต่อต่ต่อขอก็ได้ไปทำบุญมาครับไปที่วัดอะไรเงี้ยก็ได้เจอกับเพื่อนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันส่วนมากเวลาแบบ เหมือนเรารู้สึกว่าเวลาใครทําอะไรไม่พอใจเหมือนที่วัดเนี้ยเราสามารถแบบว่าพิจารณาในเรื่องนั้นๆแล้วก็สามารถดึงอารมณ์ออกออกไปได้เลยในสถานที่คนข้างๆหรือว่าถ้ามีบุคคลที่เข้ามาเขาอาจจะโมโหก็ได้ก็รู้สึกว่าเหมือนการปฏิบัติของเราดีขึ้นเหมือนเพื่อนเขาก็าไปนั่งวิปัสสนาแบบท่านโคนง้าเงี้ยแต่ว่าเขาจะเน้นมีสติแต่ว่าเรื่องที่เขาควรจะละความโกรธความโลภ ความโกรธเวลาเจอสถานการณ์เนี่ยเขลาละไม่ได้แต่ว่าเขาจะคิดว่าสติก็คือว่าจับตลอดเวลาแล้วก็เลยบอกเพื่อนว่าจริงๆอ่ะสติก็คือเวลาเรามีมีกิเลสหรือว่าไปโกรธใครเนี่ยถ้าเราละได้ไว้เ น, นี่ยเราเรียกเป็นสติใช่ไหมครับสัมหาสติใช่ไหมครั บ, ส า, ส, รบสามารถเรามีสติแล้วมีปัญญาสามารถแบบถอดถอดออกได้ณตรงจุดเกิดเหตุเลยอัน น, น่าจะใช้นี่ เราไม่ต้อไปสนใจชื่อมันจะเรียกอะไรขอให้มันฆ่ากิเลนได้ก็แล้วกันก็ใช่ก็กเลยบอกเออไม่เหมือนกันนะอะไรก็เถียงกันอยู่ก็เขาก็ฟังก็เถียงให้เสียเวลาเราเรามาปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลนกันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อมาเถียงกันครับเขาบอกเขาพอกผมไม่เป็นสติเลยก็กอย่าไปเถียงเพรายยอมหยุดเย็นจบอคุณว่าอะไรก็ว่าไป ไม่มันประเด็นไม่สําคัญอ่ะจะเป็นสติเป็นอะไรขอให้มันกิเลสมันตายก็แล้วกันพอแต่เข้าใจครับอาจารย์นะอย่าไน้องบระด็นอย่าไปเสียเวลาไปไม่ฝึกสตินี่กว่าไปหยุดกิเลนดี่มาก็ก็เหมือนไงตอนนี้ก็คือมีงานสองงานนี่คือว่าเอองานหาเลี้ยงชีพกับงานงานที่งานทางธรรมคืองานอื่น ไม่ไม่ได้ก็ค่ากิเลย่างนฆ่ากิเลยไม่ใช่งานไปเทงกับคนนั้นเทงกับคนนี้อีกบางเลนะเพื่อนสนิทเล็กน้อยแต่ว่าปกติก็คือไม่ได้ไปไหนเวลาก็ไม่ค่อยได้เถียงกับใครมีออกความไม่เห็นบ้างแต่ก็ไม่ไม่เยอะเพราะว่าใครที่มาว่าเราเนี้ยบางทีเขาก็ต้องเดือดร้อนตัวเองเพราะว่าเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญญาที่จะเอ่อ ไม่ได้สนใจสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าถ้าสิ่งที่เป็นธรรมะเราก็ฟังแต่ว่าเราไม่สามารถไปแพร์ใทั้งโลกได้เนี่ยครับประมาณนี้ครับน่าดีกลับอขอคุณอย่าสุณอนที่คุณหมอสุทัศนีเชิญปฐุมธานีเป็นยังไงบ้าง นมามัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสบายดีค่ะไม่มีคำถามนะไม่มีคำถามโอเคไปดีคุณจอยพัทยากาวค่ ะ, คะเออวันนั้นหนูพาครอบครัวไปใส่บานพระอาจารย์ด้วยนะคะอืมมันมาค่ะ ค, ะะคนเยอะมากเลยค่ะม่รู้กี่คนพันกว่าพัานสอ ง, ง้ยสิบสอง 1> 1, 2, 2> หนูอบอก 1> 1, 2. 2> หนูอบอกแฟนอยู่ว่าพราจา์ท่านถ้าถามท่านรู้เ <c oughs> ขาบอกว่าคนเยอะขนาดนี้พราจานต้องรู้หนูหนูสังเกตวลาถ้าคนไปใส่บาพราจาร์จะรู้ว่าคนกี่กี่คนตอนนั้นเหมือนต้องทุกคนใครใส่บาตรกนับไป 1, 2, 3, ไหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยรมาธิคือดีมากสติดีมากส่วนเออส่วนหนูก็วันนะั้นหนูก็เคอสินแปดแต่หนูทำได้โดยที่แบบว่า ทางาที่บ้านเขาทํำบุญกันด้วยแล้วเขาก็กินอาหารการตหนูก็ไม่กินได้ค่ะดีเก่งว่าสติแสดงว่ามีสติมากทำใจะนูก็คิถึงที่พ่อจานทร์สอนว่าถ้าเราตั้งใจยังไงก็คือทําได้ก็คือจริงค่ะอือก็เลยแพยายามตั้งใจก่อนจะทําอะไรก็ตั้งใจให้แน่วแน่ทาสัจจะด้วยนั่งสัจจะนค่ะค่ะค่ะ ห, ห, ห, หนูจะนําปฏิบัติค่ะโอเคค่าทำงานก้าวหน้าแล้วนะ กำลังก้าหน้าไปเรื่อยๆนะไปที่ก uh, ุนิงแช์กุนิงพัทยานักจตุการพระอาจารย์ได้ยินไหมครับพระอาจารย์ชัดเจนมีอะไรไหมก็ตอนนี้ก็กิริตยังไปมาอยู่ครับพระอาจารย์ยังไม่หมดนะไม่ไปอย่างเดียวยังมีมาทำมาอีก ไม้ตลอดนะคะรับอาจารย์เพราะว่าทํางานนะคะ mm. แล้วก็มีแนวเรื่องของอาจะถามถ้าเราบริจากร่างกายเนี่ยเราได้แค่ประโยชน์เราไม่ได้บุญใช่ไหมครับอาจารย์คือเขาเขาคนละมันได้ประโยชน์แต่เราไม่ได้บุญไม่ได้อะไรเลยอ๋อค่ะอาจารย์อันนี้เป็นการละได้ไหมคะอ่าเรื่องกิเลสเรื่องอะไรนี้ได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าไงคะไม่เกี่ยวอะไร าอาจจะทำบริจาคต้องบริจาคตอนที่ยังไม่ตายอาใช่ไหบริจาคเลือดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยละ ก, กิเลสได้บริาจาคตาไปข้างนี้บริจาคไตไปข้างนี้ถ้าทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเราปล่อยวางไม่ยึดติดกับร่างกายได้โอเคพระอาะจะอารย์เหมือนเมื่อคืนพอดีว่าตื่นแต่ดึก ตีสี่ลงไปกดประเน็ น, นาฬิกาปุกนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิครับพระอาจารย์นั่งไปจนหักขาแล้วก็เลยล้มตัวลงนอนตัวแรกก็ว่าจะมานวดก็เลยเอ้ไม่นวดหรอกก็ลองปล่อยดูว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงอา่าก็ปล่อยให้มันจุบจ๊บจิบจ๊ บ, บเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเออทุกอย่างปวดแล้วมันก็ไปร่างกายก็เหมือนจิตใจ ทุกสุขทุกสุขอยู่อย่างนี้นะคะพระอาจารย์ก็เลยพิจารณาไปก็หลับไปนิดนึงลุกขึ้นมาใหม่ก็คือมานั่งสวดมนต์อีกนะคะพระอาจารย์ก็เลยมานั่งคิดว่าอันนี้เนี่ยอทําให้เราเห็นเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเยอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าอาที่นั่งอยู่แล้วก็เป็นกระดูกหรือไงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะพระอาจารย์มันไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรหนูก็เลยมานั่งมานั่งแล้วก็มานั่งพิจารณา อลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตัวเองนะคะพระอาจารย์มากขึ้นก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเบาหรือว่าเราเข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องที่เราได้เหมือนกับว่า ปฏิบัติใช่ไหมคาารับพระอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้เอามาคิดมันก็เลยเกิดความเข้าใจในชีวิตของเราดีขึ้นว่าเราเป็นอะไรกันหน้าเราเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือเป็น จ, จิตใจอย่างเงี้ยอาจารย์ อ, อันนี้เป็นการในเรื่องของแยกแยกใจกับร่างกายออกใช่ไหมคาารับพอาจารย์เป็นการเรียนเรื่องเหมือนไปโรงเรียนเนีปโรงเรียนแาก็ไปเรียน เรื่องราวต่างๆอันนี้เรามาวางวันแล้วก็มาเรียนเรื่องจิตใจกับร่างกายถ้าเราไม่มาเรียนเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันค่ะพระอาจารย์เรก็เลยว่าอ๋ออันนี้กายก็ทํางานเป็นของกายใจก็ทํางานเป็นของใจอ่ะค่ะพระอาจารย์อืม่ะก็เลยว่าอ๋อโอเคอันนี้เริ่มเรื่องที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่คือก็อรู้แล้วคับครับพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนตลอดพยปยามคิด ก็เลยไม่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับร่างกายอะไรมากนะคะอาจารย์ตอนนี้บางทีปวดอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไม่ได้เป็นกังวลกับมันมันก็ไปของมันเองเหมือนกันเราก็มาดูอ้าวใจเราก็เหมือนกันวันดีวันไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ไปทํางานแล้วถามพระอาจารย์อันนี้ก็เราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้ฟังและปฏิบัติอยู่ตนอดถามว่ายากไหมหนุนยอมรับเลยว่ายากมาก เพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดกับ ง, งานหยาบเนี่ยโอ้โหหนักมากเลยค่ะพระอาจารย์เวลาไปเจอเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเนี่ยเราคิดว่าเป็นงานที่อันนี้นะมันก็ยังไม่เท่ากับในเรื่องของการวันเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะเลยครับพระอาจารย์รูก็เลยรู้สึ ก, กโอ้ในเรื่องนี้เนี่โง่ามากเลยครับพระอาจารย์ก็เลยว่าโอ้โหไม่<ะ>ไม่ใช่เราโง่คนเนี่ยวคนทั้งนอกนี่โงอกันทั้งนั้นนะพระอาจารย์ว่าโห้ทายละ คือเหมือนกับว่าโง่มากแล้วก็มานั่งคิดมากแล้วไปทํางานมาเอาอะไรบางทีก็านั่งเอา้าไม่มีก็ไม่ได้อ่อไม่มีก็จะเป็นจะตายอันนี้ก็คือเข้าใจนครับพระอาจารย์ว่าโอ้เป็นเรื่องที่ที่คนข้างที่จะยากมากเลยเข้าใจเลยว่าสิ่งที่ผู้เจ้าท่านสอนเนี่ยโอ้โหละเอียดมากพระอาจารย์คือถ้าไม่ปฏิบัติหรือไม่ไอ้ น, นี่จริงๆเนี่ยจะไม่ได้เลยขนาดหนูพยายามมันยังคลื่งๆลงๆเลยค่ะพระอาจารย์อันนี้ โอเคยังมาเรื่อยๆนะแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างต้องปล่อยอะไรต้องยึดอะไรค่ะพระอาจารย์ก็หนุกจับทำต่อไปครัอาจารย์ถึงต่อไปค่ะทุกค่ะรอาจารย์ครที่คุณหมอเนาวท่านมุตตาคุณหมอจับราสการพระอาจารย์ครับ อยู่ที่ทํางานอยู่นะกลับบ้านนะอ๋อกลับบ้านแล้วครับแต่ว่าพอดีมาเตรียมสไลด์พรุ่งนี้พอดีมีต้องพูดเลคเชอร์ครับก็เลยก็เลยยังไม่ได้อบน้ําครับอจิต ใ, ใจสบายดีนะ <laughs> ก็สบายดีครับก็มีอาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนมีไอมันเหมือนรู้สึกงุนกิดเรืออะไรมันก็ไม่รู้นิดหน่อยครับแต่ว่าก็มาดูกําลังสติมันคง น้อยลงใช่ไหมอ่าีิเรลด์ก็เลยมาเพ่งผ่านอยากให้ได้นู่นอยากให้เป็นอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนครับครับครับนันก็เป็นตัวสติก็เป็นตัวบอกว่าอาจจะต้องปฏิบัติให้เพิ่มขึ้นเพิ่มตบลาห้มันมากขึ้นใช่ไหมครับใจเฉยๆอะไรก็ได้ครับครับต้องขัดขอขัดที่ยึดใจไม่ออกมา กิเลสมันก็ทํางานครับก็ก็พอเห็นนี่ก็ต้องก็ต้องปรับตรงนี้ขึ้นครับใจไม่ยอมปล่อยวางมันก็เลยมนเเยะถ้ามันปล่อยวางมันก็ไม่มึนเเครับอะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะครับแต่รู้สึกมันเอ๊ยมันไม่ไม่ไม่สังบแต่จริงแล้วก็ขึ้นกับความมัไม่เบาับไม่สบายใช่ครับไม่โล่งไม่เอาไม่สบายันนั้นในตัวสตินี่ก็ก็ก็จะมีความสําคัญใช่ไหมครับที่ แล้วเราก็ตัวนี้เองก็เป็นตัวบอกว่าเราเราขาดใช่ไหมครับอ่าครับแล้วมีสติใจเราก็จะวางเฉยได้ครับนะต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับอ่านี่พยายามนั่งสมาธิครับดีแต่สัปดาห์ที่แล้วก็อยู่เวรด้วเราก็งานเหมืนกันวิ่งทำนู่นนี้ตลอดก็เลยอาจจะทําให้เผลอเลยไปนะแต่ก็พอรู้ตัวแล้วเดี๋ยวต้องพยายามปฏิบัติกัน โอเคครับผมอันนี้นะครับใค่แค่นี้ครับฮะโอเคคุณเด็นบันเด็ดเชียเด็นบันเด็ดคนหนำได้ยินไหัรการมาตรการหายได้ยังควครับก็วันอีเดียวนะครับนนเสียงกระายได้หแต่คุณหมอก็ยังให้แยกกับคอบครัวถึงถึงมัน ตอนเยันต้องแยกตัวเองอยู่นะบริษัทของคุณไม่ค่อยดีเลยเสียงไัดนะับเอ่อรีสครับอาจารย์ขอข้าวไม่ก่อนนะไอนน้คุณเซรินทร์ทอนในเวลานักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยไม่มีคำถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะโอเคสบายดีนะสบายดีค่ะ กลับ <Okay. S 2> ครับพระคุณสงบดีไหมดีขึ้นครับพระอาจารย์หลังจากที่คุยกับพระอาจารย์ได้สติไปอาทิตที่แล้วก็ไปปฏิบัติมากขึ้นก็ <Okay. S 2> พอพอมันทําน้อยลงมันก็มันก็ไม่ค่อยดีแต่พอทํามากขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคคย่าปฏิบัติไม่เรนะอย่าทิ้งไม่ทิ้งค่ะโอเคหนึ okay. ่งขวัญจุลาเชินหนึ่งขวัญจุลา อยู่ที่ไหนจ้าคุณปานจุานมัส ก, การพระอาจารย์อยู่ที่สระบุรีค่ะอาจารย์อืมไม่อะไรไหมเออพอดีวันนี้ได้ฟังไลฟ์สดของพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าประทับในในคำสอนของพระอาจารย์ในแนวทางแนวทางศาสนาค่ะพอดีหนูศรัทธาาสาอยู่แล้วค่ะอาจารย์ ก็สาประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเยอะแต่ว่าในรูปแบบการปฏิบัติก็มีสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะประจำวันแต่ว่าเป็นคนมีโทสะจริตค่ะก็วเวลาเกิดโทสะก็ต้องใช้ความเมตตาให้ภัยอย่าไปติดโทยต่อเครื่งองไค่<ต>เราเราต้องแผ่เมตตาให้ให้ไม่ต้องแผต่ ต, แผตลอดเวลาหรอ ถ้าตอนที่เรามีความโกรธเวลาใครทําให้เราโกรธเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาเวลาปฏิบัติก็ใช้พุทโธพุทโธไปก็ได้ใช้เมตตาตอนเวลาที่เราเจอกันเวลาทําอะไรแล้วเกิดทะเลาะกันไม่ก็ก็ให้อภัยกันไปอย่าเสือ ด, อด้อยโกรเคืองกัน อาจารย์นะโอเคปิดไมค์ซะแล้วไม่ได้ยินเสียงเปิดไมค์ใหม่ได้อย่าพูดอ๋อค่ะก็ค่ะหนูจะเอาคําสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติค่ะโอเคเข้ามาครั้งแรกเหระค่ะเข้ามาครั้งแรกค่ะก็ติดตามไลฟ์สดของพระอาจารย์ค่ะก็เลยเข้าเข้ามาฟังธรรมด้วยค่ะโอเคสาธุ อ่าไปที่คนวาเลเช่อไเปลี่ยนชื่อเลยยังไม่วาเลตหรือป่าหลายไม่หลายเนี่ยคุณโปรหลุดไปแล้วฮะมันก็เลยครับตอนอีกเหลือคุณจี๊นะฮะอ่าจี๊แลนะเอาคนณทวิษฐ์เขาก็มาใหม่เดี๋ยวเอาเอาคุณจี๊บก่อนตามธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะ ได้ยินชัดเจนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะคะโยมปิดลำโพงเหมือนเสียงวันดังกิ้งกิ้งข้างหลัง <c oughs> ค่ะว่ า, าสบายดีนะคะอ่าสบายดีค่ะโยมไปชวนญาติธรรมคนหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้คุยไปแล้วเข้ามาฟัง z ูมพระอาจารย์นะคะ yeah. Yeah. ชือน้องแจนคะ่ะน้องแจนอยู่พิสเปิร์กน้องแนอยู่พิสเปิร์กใช่ค่ะโยม <Peace> พอดีโยมกับน้องแจนไปปฏิบัติธรรมมาเสารอาิย์วันมาคะ่ะค่ะ สามวันสองคืนโหวัดจ้าโยมชอบมากเลยแต่แบบโหมนเป็นครั้งแรกที่โยมปฏิบัติแบบเข้มข้นมากเลยแบบเช้ามาสวดธรรมวัดเช้าอ่าทานข้าวหเช้าเสร็จแล้วก็ทานข้าวเพนเขาเรียกอะไรนะคะสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นก่อนจะทานทานข้าวสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิทานข้าวเช้าสวดมนต์เสร็จแล้วก็พักพักผ่อนตามอธิษฐานนิดนึงแล้วก็มาทานข้าวอีกมื้อนึง แล้วหลางจากนั้นก็พักเอเดียสานิดนึงแล้วก็มาสวดมนต์นั่งสมา่์นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมจยจะให้ทำทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันเลย่าจทั้งคืนเลยตอนคืนสวดเสร็จปุ๊บอ่ะเหลืออีกสิบห้านาทีพระอาจาอ ข, ขออีกสิบห้านาทีนะทุกคนก็สห้านาทีน<ม>ังสมาธิต่ออยูแบบโอ้นัไปร่แต่ยมชอบนะคะแต่ว่ามันมีแบบทุกขเวทนาแบบ ไม่ทราบเป็นอะไรทุกครั้งนิยมนั่งอาจารย์มานั่งวันได้สักพักข่าข้างขวาไม่รู้เพราะว่าขับรถเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะอาจารย์มันจะเจ็บเจ็บเหมือนแบบเหมือนมีใครมาแบบเหมือนกระดูกมันไม่เข้าที่อะอาจารย์มันเหมือนเจ็บแบบโดนโดนรักโดนดีดตลอดเวลารถยนต์แบบอ่าปวดปวดปวดไปปวดไปแล้วก็พุทโทบอาจารย์พุดโทพูดโทพุดโธบเสร็จแล้วก็ลืมลืมลืมไปเสร็จเอ๊ะแล้วก็มัน หวดดิ้งไว้เนาะแล้วก็กลายเป็นอาการอย่าง อ, อื่น๋ยวแบบโอ้โนี่อะไรจะเข้ามาันเข้ามาพร้อมกันเลยหรออะไรเงรี้ยค่ะก็นั่งมองมันไปเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์แต่พอสุดท้ายก็ออกมาก็ดีค่ะทําให้โยมสึกว่าเออกันอยู่กับลมหายใจนี่มันดีจริงๆนะคะพระอาจารย์มันมีสติเยอะขึ้นกว่าเดิมมาค่ะแล้วมันก็ปีติมันมีความสุขหลังจากที่เราออกมาจากปฏิบัติแล้วอะค่ะพระอาจารย์ค่ะยมก็น้อมนําบุญมา ถวายพระอาจารย์เป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาด้วยนะคะพระอาจารย์แบบง่ายทำเยอทําำบ่อยๆนะค่ะค่ะยมก็คุยกับอพระอาจารย์ที่วัดวัดโปรดเกตที่ติดกับน้ําตกในแองกล่าค่ะพระอาจารย์<ม>ที่นิวยอร์กค่ะถ้าจากบ้านยมขับไปก็เกือบแปดชั่วโมงแต่พอดียมไปวัดไปรับน้องน้องที่พิสเปิร์กก่อนกับเพื่อนนะคะมันก็จะใช้เวลาเกือบสี่ชั่วโมงจากบ้านโยมไปบ้านน้อง เราจากบ้านน้องมาในแองกลาก็สามชั่วโมงกว่า <c oughs> ก็คือตีไปซะเจ็ดชั่วโมงกว่าค่ะ <c oughs> ก็ก็โอเคค่ะถือว่าฝึกฝึกแบบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนคะ่ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าดีค่ะเพราะว่าเป็นวัดที่แบบสร้างใหม่อ่ะพระอาจารย์เป็นวัดเหมือนคล้ายๆวัดปา ก, ก็ก็มันก็เรียกปากได้เพราะมันมีแต่ทุ่งหญ้าแบบที่เขียวเต็มไปหมดมีแบบเป็นยุ้งฉางเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เป็นบ้านคนที่เขาเอามาขายให้ให้วัดนะคะเ้วปฏิบัติที่ไหนล้วปฏิบททัติในในก็จะมีศาลาไรศาล า, าที่เขาสร้างใหม่อะคะ่ะเราไปปฏิบัติตรงนั้นเพราะจะมีเนื้อที่เดินจงกรมได้แต่ที่พักจะเป็นบ้านที่มีมีชั้นกลางเป็นชั้นห้องห้องปฏิบัติธรรมที่มีพระพุทธรูปก็เรียกเป็นโบสถ์ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีพุทธลูบเป็นพระประธานนะคะ แล้วก็เป็นห้องครัวแล้วชั้นบนก็เป็นกุฏิที่พระพุทธรูปเอ้ยไม่ใช่ขอทอแต่พระประสงอยู่จำวัดทางล่างก็เป็นที่ให้ญาติโยมนั่งพักผ่อนใช่ค่ะก็จะเป็นถุงนอนนะคะพระอาจารย์ sleeping bag เขาก็จะปูเป็นแบบสี่ในห้องนึงอยู่ได้สี่คนนะคะก็สี่คนค่ะแล้วก็นอนกับพื้นไปอย่างี้ค่ะแล้วต้อของเราไปอง sleeping bag คือทางวัดเตรียมมให้หมดแล้วคะ่ะทั้งหมอนทั้งผ้าห่มแต่ว่า แต่ว่าโยมก็เตรียมกันเองไปด้วยะค่ะเพราะว่าเกงจะแบบคือเราก็ไปแป๊บเดียวแต่ว่าก็แล้วบางคนไมได้เตรียมไปบางคนก็เตรียมไปะคะ่ะแต่ก็ตอนสุดท้ายก็ซักให้แบบเราคือมันไม่ค่อยมีเวลาแต่โยมก็ซักให้เท่าที่ทําได้อะคะ่ะพระท่านก็บอกไม่เป็วรายอมทิ้งไว้เลยเดี๋ยวอาตมาทําเองแต่โยมก็เกงใจแบบมันไม่สมควรให้ญาติโยมมาซักแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็เขามีงานวันมาฆะต่อวันอาทิตย์นะคะพระอาจารย์ยังไงก็ ไม่มีเวลาแล้วก็เลยต้องกลับอะค่ะค่ะเดี๋ยววันไหนมีพมระหกรูปค่ะตอนนี้หกรูปค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะแต่ว่าเป็นพระปฏิบัติแบบปฏิบัติดีแบบช่วยทําว่าจะแบบคือทุกคนทุกรูปนี่ปฏิบัติเข้มมากเลยนะคะ ท, าาท่านเตยไก่เป็นอาจารย์นี่มีท่านเตยไก่เป็อาจารย์อืมคือมีพระรูปหนึ่งที่สอนสมาธิท่านท่านใช้หลักหลวงปู่มั่านนะคะ แต่พรอีกรูปหนึ่งก็มาจากวัดโปรดเกศยอมจําไม่ได้ว่าวัดโปรดเกศมีสลับบุรีไหมคะพาาระจันทร์ก็ไม่รู้เหมือนกันหนูยอมจำไม่ได้คือขอบ<า>ท่านม า, าถ่ายมีค่ะมีค<า>่ะแต่ยอมจําชื่อท่านพาาระจันทร์รูปนั้นไม่ได้อ่ะคะ่ะแต่ท่านเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้าอาวาสที่วัดโปรดเกศที่เมืองไทยอะคะ่ะแล้วอนุญาตให้มาเปิดมามาขยายสาขาที่ ที่อเมริกาได้อะค่ะเ ด, เดี๋ยววันเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวถ้าทิดหน้าโ ย, ยมโยมทราบโยมโยมเข้ามายมมาบอกพระอาจารย์อีกทีนะคะได้ไดค่ะค่ะแต่พระอาจารย์แบบทุกคนยังเป็นพระแบบเด็กแบบรุ่นใหม่อะค่ะซึ่งแบบอดีมากเลยค่ะแบบปฏิบัติดีไม่ใช่แบบพระแบบวัตถุอะค่ะพระอาจารย์เป็นพแบบปฏิบัติอ่าเนยไม่ใช่เป็นพระพุทธภาณิชยนะ์นอะ ใช่มันไม่ใช่ค่ะอันวัดนี้ไม่ใช่เลยค่ะอาจารย์ไม่มีคนมาทำทุ่งสวยไม่แต่ปฏิบัตินีปฏิบัติอย่างเดียวค่ะทำมีแค่สดแค่ทำวันเช้าทำวันเยนแค่นี้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติแบบโอ้โหปฏิบัติอยู่ได้นะพระอาจารย์แบบไม่ได้พักพักน้อยมากค่ะแล้วใครไปทําอาหารให้เลี้ยงเราไม่ญาติโยมทำให้เลยก็จะมีพี่ที่ปฏิบัติด้วยกันนะคะเขาทําอาหารเป็นประจําแล้วก็เพื่อนโยมอีกคนนึงก็คือก็พระอาจารย์ระหว่างที่ ทำว่าเช้าเสร็จก็เกาะพี่เขก็ตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ตีสามค่ะมาทํากับข้าวยอมก็แบบถามมาช่วยไหมพี่บอกไม่ได้เพราะครัวมันเล็กมากพระอาจารย์ครัวมันเล็กมากพี่บอกไม่เอายืนคนเดียวเต็มแล้วไม่ต้องมาช่วย อ, อ, อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ไม่มีแม่ครัวไม่มีแม่ชีค่ะก็ถ้าถ้าพวกไม่มีลูกศิษย์พระพระก็ต้องทํากันเองอะค่ะอืมค่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่คนลาวเยอะค่ะพระอาจารย์คนลาวมาทําบุญเยอะมากเลยค่ะ ค่ะเขาก็เลยมีอาหารประจําส่วนใหญ่จะมีคนมาถวายประจํำมาค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ยมดีใจที่แบบไปปฏิบัติก็เลยมาตื้นตานปิติก็เลยจะมาบอกพระอาจารย์ว่ายมได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ถวายพระอาจารย์แล้วนะคะดีใจด้วยจ้าอ๋อค่ะถูกค่ะจะพยายามไปปฏิบัติให้ได้ทุกเกือบท่างที่เขามีทุกเดือนยมก็จะไปค่ะอืมเี่ยอ อาสาทูค่ะพระอาจารย์รักษาธาตุขนนะคะจับสวัสดิการค่ะอไปที่คุณทวิษฐกลับมาใหม่นะคุณทวิษาเชิญได้ยินไหมต้องปิดไม้ใหม่สิน้องพูดได้ยินได้ยินนะจ๊ะพูดได้เลยค่ะคือสัญญาณไม่ดีแล้วแบตก็จะหมดด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องเสียบก็เลยอาจจะมินนี่ค่ะไม่เสียเลย ออค่ะโอเคค่ะถ้าเสียงชัดก็โอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะก็โยมก็ที่ที่ได้มาปฏิบัติกีนี้โยมก็ได้แบบเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะค่ะคือรู้คุณค่าของสติแล้วก็หยุดคิดที่พระอาจารย์บอกให้ให้ให้สติแล้วเวลายมก็คือได้ได้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์ได้มากกว่าอยู่บ้า น, นะคะ่ะ พยายามทำให้บางๆนะโอกาสนี้จะหายยากเมื่อโอกาสที่เราไมีเวลาอยู่คนของเราคนเดียวได้มีที่ปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ยมก็เลยเห็นคุณค่าของของสถานที่สถานที่แล้วก็แบบมันไม่มีใครรบ ก, กวนคือเราไม่มีกังวลคนอื่นนะคะพระอาจารย์อถ้าเกิดได้สถานที่แบบมากกว่านี้อีกเหมือนที่เหมือนที่จะบนเขาที่เงี้ยมันน่าจะ น่าจะให้เราอยู่กับอยู่กับสติได้มากขึ้นแล้วก็คือฝึกได้มากขึ้นนะคะอาจารย์คือไม่ต้องมีอะไรกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะคอะอาจารย์อ่ด็ค่ะก็จะพยายามเต็มที่ค่ะอาจารย์โอเคอย่าปล่อยให้ใจคิดนะคอยควบคุมให้ให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆโอเคค่ะ อ, อันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม ไม่มีค <watering> ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวค่อยมีคําถามติดอะไรเดี๋ยวค่อยถามใหม่ค่ะอาจารย์คุณบะนอมช่คุณบะนอมตาอยู่ที่ไหนคุณบะนอมใช่เรื่องเหมือนบซนาี่อเมริกันเจ้าค่ะหลวงพ่อมาเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะเมื่อวันเจ้าค่ะเมื่อวันก่อนได้เข้าไปกราบหลวงตาท่านอายุเก้าสิบกว่าค่ะแต่ท่าน อแข็งแรงมากยังขนาดอากาศหนาวท่านก็ ย, ยังเดินปฏิบัติแล้วก็อายุกาาเก้า่า อ, อ, าอาสิบสี่แต่ท่านยังหน้าตาสดชื่นสดใสแล้วก็ท่านท่านไม่เอาอะไรเลยจา้าค่ะท่านชอบอยู่สงบสงบแล้วก็มีมญาติโยมที่นี่ไปพี่ที่หนูรู้จักะค่ะท่านไปอ่าแค่ไปสร้างบ้านไม้ให้หลวงพ่อที่ริมแม่น้ําวลเม็ดท่านอยู่ออเบเน่จา้าค่ะหลวงพ่อ ออบ น, นี่เดนไป น, ใ น, ในิวยอร์กอออบบนี่เซเลมอออบบานี่ออยก็อยูอ่ระหว่าเครื่องทางระหว่างยูจีนมาเซเลมเจ้าค่ะหลวงพ่อืแล้วก็มีพี่ๆจิตอาสาที่มาจากออบอบขอโทษเจ้าค่ะมาจากอยูจีนมาถวายเพนที่วัดที่หนูอยู่เนี่ยคะ่ะมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสาครั้งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ เมื่อวานก่อนหนูก็ได้เข้าไปปฏิบัติคือหนูไม่เปิดฮีตเตอร์ไม่อะไรเลยจ้ะค่ะหลวงพอ่อแล้วก็สงบอยู่ได้นานแล้วอยู่ปฏิบัติอยู่คนเดียวหลังจากหนูไปถวายเพนเพอที่โน่นหนูจะไปบ่อยไม่ค่อยได้อ่ะค mm ่ะเพราะว่าสามีเขาจะเป็นห่วงเรื่องการขับรถหนูก็เลย mm hmm. ไปที่วัดที่หนูอยู่เนี่ยอาทิตย์ละสองสาครั้งจ้ะค่ะหลวงพอ่อ mm hmm. ก็มีกระทบบ้างแต่ ก, ก็ดึงสติกลับมาได้จเจริญสติลตลอดเวลาจเจ้าอาหลวงพอ่อตอนนี้ก่อนในะเวลากลารจะหมดนะอเคชุบ ด, ดีใจมากค่ะที่เข้ามาได้เจ้า่ะหลวงพอ <Okay. S 2> ่อต้มากลับนมัสการหลวงพอ่อาสาธุน้วยเจค่ะไปได้คุณหลาคุณหลานม่คำถามไหมวันนี้ กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมด8คํคำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะสคํคำถามแรกจากคุณธีรภูมิกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งเมื่อมีเรื่องราวมากระทบใจทำให้เป็นทุกข์ผมมีสติรู้ตอนเกิดความทุกข์นั้นขึ้นมาผมจะตั้งสติภาวนาพุทโธจนความทุกข์นั้นค่อยๆหายไป ระยะหลังจะพยายามมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดพอมีเรื่องราวมากระทบอีกผมจะรู้ทันทันทีว่าเรื่องนี้มาอีกแล้วจะภาวนาพุทโธ ท, ทันทีไม่ปล่อยใจให้คิดไม่ให้ถูกกระทบง่ายๆแต่การจะมีสติรู้ตัว ต, วตลอดก็ทํายากเช่นกันครับผมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพื่อไม่ให้ใจเป็นทุกข์ครับก็ถูกต้องในระดับสติ ถ้าอยากจะปฏิบัติสูงขนาดนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาดาบต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆเวลาเกิดความทุกข์ก็พิจารณาว่าเรากําลังอยากกับอะไรอยู่อยากได้อย่างมีแล้วอยากไม่ได้อย่างไม่มีอะไรอย่างได้อยาะไรมันก็เลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะหายทุกข์อย่างท้าวอันถามข้อที่สอง ทำไมคนส่วนใหญ่รู้ว่าสังขารเป็นไตรลักษณ์ต้องมีแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาแต่ก็ยังทำใจยอมรับกันไม่ได้ครับเพราะความอยากไนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็ไม่มีกำลังหยุดความอยากนี้ได้ต้องฝึกสติต้องนั่งสมาธิแห้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้ได้ถึงจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้รับความแก่ความเจ็บความตายได้ ถามข้อที่สามการที่เราต้องการกำจัดอุปทานในร่างกายของเราต้องทำอย่างไรครับถึงจะเกิดผลในกรณีที่เรายังไม่สามารถหาความสงบและอุเบกขาจากการนั่งสมาธิได้ครับถ้ามังไม่มีสมาธิมัก็ยากที่จะตัดได้ก็เป็นแต่ตัดด้วยความคิดไปก่อนให้คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้ติดอยู่อย่างนี้บ่อยๆแล้วใจกันอย่างนี้ค่อยยอมรับความจริงได้คำถามต่อไปจากคุณอภิวัตรกระพร้าจารย์ตัวรู้นี้เรารู้ไปเรื่อยๆแบบนี้ปฏิบัติถูกทางไหมครับเออเรารู้ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไร ปัญหาเขอยู่ที่ตัว ก, กิเลสเราจะรู้ต้องรู้ว่าตอนนี้เรามีกิเลสหรือเปล่ากิเลสโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีกิเลสโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องหยุดมันเวื่อเรากโกรธใครเราก็ต้องหยุดมันให้ได้เวลาเราโลภอยากได้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องหยุดมันให้ได้คำถามต่อไปจากคุณปอหนอนชาเขียวสอบถานพระอาจารย์ค่ะเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้ว การที่รู้สึกตัวว่าขณะที่นั่งอยู่รู้สึกตัวเบาสงบนิ่งเหมือนไม่มีร่างกายอยู่ในขณะนั้นมีแต่ลมหายใจความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วหรือยังคะก็เริ่มแล้วเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วแต่ยังไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยร่างกายและลมหายใจนี่จะหายไปแล้วแต่ผู้รู้อยู่ตามลำบังตัวเดีอง คำถามต่อไปจากคุณชนาพรน้อมกราบนมัสการค่ะถ้าต้องอยู่กับสังคมที่มีแต่คนอิจฉาริษยาคนที่เห็นผิดเป็นชอบแล้วหาเรื่องเดือดร้อนมองทุกอย่างให้เป็นปัญหาให้เราตลอดเราควรอยู่ต่อเพื่อไรได้และการได้อยู่ใกล้พ่อแม่ของเราหรือออกจากตรงนี้ไปแล้วทาให้เขายินดีที่ไม่มีเราอยู่คะ ก็แล้วแต่เราจะตัดสินใจ อ, อันนี้เราก็ตอบแทนไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับในการปฏิบัติภารกิจประจำวันทำก็ไม่ทุกไม่ทำก็ไม่ทุกเหตุการณ์นี้เป็นสภาวะเช่นไรควรวางใจในการปฏิบัติเช่นไรถึงถูกต้องขอความเมตตาชี้นำทาง น้อมจิตกราบขอพระคุณเหนือเสียนเกล้าขอรับไม่ทราบความหมาย่ารทำก็ไม่ทุกไม่ทำก็ไม่ทุกคำถามต่อไปจากคุณฟองเพชรเคยปฏิบัตินานมาแล้วแต่ในปัจจุบันพออายุมากขึ้นถึงตอนนี้หกสิบสี่ปีแต่ไม่อยากไปวัดเลย แต่ใจอยู่ในธรรมตลอดเวลาอยากถามพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากไปวัดเลยแต่ได้ใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านทุกวันนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไปวัดแล้วมันเจอคนเยอะก็เลยไม่อยากจะไปไม่ลองไปหาวัดที่ mm hmm. เป็นวัดปฏิบัติเมววมาปฏิบับติจะไม่ค่อยมีก็เวลาไปปฏิบัติเขาจะให้ไปอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครคำถามหมดแล้วเจ้าคะ่ะ โอเคคำถามหมดแล้วเวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำวสิจที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนปิจน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเธอ